ครับผู้ารย์ครับงั้นผมขออนุญาตเริ่มจัดรายการเลยนะครับผู้อาวุโสครับน่เชิญวันนี้จัดรายการครั้งที่สองร้อยห้าสิบห้านะครับผู้อาวุโสครับวันนี้เช้าพู้อาจารย์ไปใส่คนไปใส่บาทกันเยอะไหมครับเนี่ยสงกรานต์ห้าร้อยสิบดคนเลยกันโอ้โหครับเยอะหน่อยทางสงกรานต์ก็ไม่ถึงสงกรานต์พรุ่นี้สงกรานต์ครับ พรุ่งนี้น่าจะเยอะกว่านี้อีกใช่ไหมครับพอาจารย์ก็ไม่น่ะมันไม่แน่นอนขอบผมแลววนี้ก็รู้สึกวกก่าปกติบวันอาทิตย์มั น, นจะ400กว่าวันนี้ขึ้ไปถึง500กว่าค ร, ครับผมวันนี้จะกลับเรียนพระอาจารย์ว่าจัดรายการครั้งที่2055แล้วนะคะพระอาจารย์ครับอีกห้าครั้งจะครบ5ปีใช่ไหจะว่า60ครับพระอาจารย์ครับ วันนี้ขอโอกาสพระอาจารย์ครับว่าผมตั้งชื่อหัวข้อเรื่องตัณหาเหตุที่พาให้มาเกิดครับจะขอปัญญาจากพระอาจารย์ครับผมบออนนครับขอบคุณครับตัณหาก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะที่เรียกว่ากามตัณหากามาก็คือกามคุณห้าได้แกรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะ แเมื่อเราเมื่อใจมีความอยากจะเสพเรื่องเสียงกินรสใจก็ต้องหาเครื่องมือเพราะใจไม่มีตาหูจมูกเลี้นกายของตัวเองใจก็เลยต้องไปหาร่างกายมาเป็นเครื่องมือเพราะร่างกายของมนุษย์ไม่มีตาหูจมูกเลี้ยกายให้เสพถึงมันที่มาของการมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าไม่มีความอยากจะเสพรูปเสียงกินรสก็จะไม่ต้องมามี มันมีร่างกายไม่ต้องมาเกิดเช่นพระอนาคามีขึ้นไปนี่ท่านไม่มีความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสนะท่างตัดได้ท่านก็เลยไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ดิแต่พระอนาคามีนี้ยังมีความอยากที่จะเสพรูปประชานเรื่องรูปประชานอยู่ท่านก็จะไปเกิดในรูปภพเรื่องรูปภพแต่จะไม่มาเกิดในกางภพภพของมนุษย์ภพของเทวดาภพของ เลรละชานเป็นต้นเพราะไม่เสพกลามท่านไม่เสพรูปเสียงเกิดนัดแต่ท่านยังเสพรูปประชานเรือรูปประชานอยู่ถ้าท่านละการเสพรูปประชานได้ละการเสพรูปประชานได้ท่านก็จะไปเป็นพระอรหันต์ไปไปอยู่ในนิพพานท่านาไม่ต้องกลับมาเกิดในตายพร้อมไปต่อไปไม่ต้องมาเวนาีนว่ายตายเกิดในการมาพบรูปมาพบเรือรูปมาพบ อ่าันนี้ไม่ทราบว่าคนทางบ้านที่ดูโปรแกรมอยู่นี่เขาได้ยินเสียงไหมไ น, นครับได้ยินชัดเจนครับอาจารย์ครับแน่าใจนะแน่ใจครับครับดินชัดเจนครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะมาเกิดเราก็ต้องละการมาตันหาให้ได้ เบื้องต้นต้องละกามาตัญหาก่อนเพื่อจะได้ไม่ต้องมาเกิดเป็นไม่ต้องมามีร่างกายของมนุษย์แต่ถ้าเรายังไปติดรูปประชานเรื่องรูปประชานอยู่เรายังจะต้องกลับมาเกิดเป็นพรหมอยู่เป็นในรูปภพหรืออรูป ร, รมแภพถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกต่อไปเราก็ต้องละทั้งรูปประชานและอรูปประชานเราก็จะเข้าสู่นิพพานไปนิพพานคือจิตที่ไม่มีการ ไม่มีความอยากพองเรืออยู่ในจิตติดต่อไปก็ไม่มีความอยากจิตจะไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายในใตายพกองเมื่อไม่เกิดก็ไม่มีความแก่ความเจ็บความตายทุกเจ้าทรงตัสว่าทุกย่อไม่มีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้าต่างใดยังมีการเกิดอยู่โดยเฉพาะการเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจะต้องเจอกับความทุกข์ของของร่างกาย ที่ต้องแก่จะต้องเจ็บแล้วจะต้องตายปในที่สุดทังนั้วิธีการที่เราจะทําให้เราไม่กลับมาเกิดพระพุทธเจ้ก็แสดงไว้ว่าต้องใช้มรรคแปดหรือศีลสมาธิปัญญาการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี่ก็เป็นเป็นการแสดงโดยย่อของมรรคแปดเช่นศีลก็มีสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสมาัมมาชีวะ อั น, นการพูดการกระทําที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้องและอาชีพที่ถูกต้องสามข้อนี้ของมัคคุปต์อันนี้ก็จะรวมเป็นรวมอยู่ในกลุ่มของศีนะแล้วกลุ่มของสมาธิก็ประกอบด้วยสัมมาวยามุสัมมาสตสามมาิสมาสมาธอิอีกสามสัมมาวยามุก็คือความเพียรความเพียรที่จะปฏิบัติจลันสติให้ได้สัมมาสติ แล้วก็นั่งสมาธิให้ได้สมาสมาธิอันนี้ก็เป็นกลุ่มของสมาธิแล้วกลุ่มของปัญญาก็มีเลยสองข้อสมาธิทติกับสมาสังคปูความเห็นชอบกับความคิดชอบก็เห็นในเห็นอนิยสัตติไตรลักษแล้วก็คิดคิดคิดชอบก็คิดละสิ่งที่เป็นไตรลักณหละปัญหาที่เป็นเหตุที่สร้างให้ความทุกข์ของใจเกิดขึ้นมา เวลาเราพูดบางทีก็พูดพูดมรรคแปดก็ได้ศีล ส, สมาธิปัญญาก็ได้เป็นมรรคเดียวกันเป็นเครื่องมือนเดียวกันแต่บางครั้งพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงสนับกันแล้วถ้ามีถ้ามีคารวสาถ้าแสดงให้คารวาสก็ต้องเพิ่มข้อหนึ่งเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งก็คือทานให้เอางันที่เราไปซื้อความสุขจะ ในถ้าเรามักจะมีเงินเวลามีเงินมักจะไปเที่ยวกันใช่ไหมไปดูน้ำล่องแพไปนี่ก็เป็นการเสพกามเป็นเสพรูปเสียงกิจวัตรพระเจ้าบอกว่าเอาเงินที่จะไปใช้กับการเสพกามมาทําบุญแทนะเปลี่ยนวิธีหาความสุขการทําบุญทําทานโดยจากเงินทองให้แก่ผู้ที่เขาเดือดร้อนที่เขาต้องการความช่วยเหลือ แลืออะไรก็ตามที่เราเห็นว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมแล้วก็ทําไปเราก็ได้ความสุขใจอีกแบบหนึ่งความสุขอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นความสุขที่ดีกว่ า, คว า, า, กกาวความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มมันมันชั่วขณะที่เราไปเที่ยวไปกินไปดื่มแต่พอเรากลับมาบ้านความสุขนั้นก็หายไปไปหารู้สึกเศร้าซ้อยหงอยงเหงาว่าวเมาเหมือนเดิม มันก็เลยทําให้เราต้องออกไปเที่ยวกันอยู่เรื่อยไปกินไปเด็กกันอยู่เรื่อยเที่ยวเท่าไหร่กินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแคต้องกลับมาเจอความเศร้าเศร้าหงอยเหงาอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราเหมือนส่วนนี้ไปทําบุญทําทานนี่ความสุขใจนี่มันจะไม่ได้ทาาําให้เราเศร้าเศร้าหงอยเหงากลับมาบ้านไปทําบุญทำมาบ้านใจเราก็ยังอิ่มบุญอยู่มีความสุขใจไม่รู้สึกแล้วไม่รู้สึกว่าเวย คุจ้าหลวสอนว่าถ้าเราถ้าเป็นคาราว่ามีเงินมีทองถ้าอยากจะใช้เงินทองให้เกิดความสุขที่ไม่มีโทษก็ให้เอาเงินไปทําบุญทําทานแทนอย่าเอางินไปเชี่ยวไปกินไปเดินไปเสรืรูปเสียงกลิ่นรสเพราะว่ามันนอกจากทําให้เราต้องติดอยู่กับการเสพเนี่ยมันก็จะทําให้เราต้องกลับมาเกิดเมียนว่าตายเกิดอยู่ง่ายเพราะเรายังติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสเสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอปัญหาของรูปเสียงกลิ่นรส ที่วเท่าไหร่ก็ไม่พอดูอะไรฟังอะไรเท่าไหร่ก็ไม่มไม่พอเห็นั้นเ ร, เราต้องตัดการเสพรูปเสียงกลินรถถ้าเราใช้เงนินทองเป็นเครื่องมือเราก็ต้องตัดอันนี้นไปก่อนถึงมีทานแล้วก็มีศีลสมาธิปัญญาสําหรับคารวะท่านสอนเรียว่าสมาธิปัญญาท่านเปลี่ยนชื่อเป็นภาวนาแทนภาวนาก็คือการทําสมาธิ เรียกว่าสมาถภาวนาแล้วการเจริญปัญญาก็เรียกว่าวิปัสนาภาวนาก็เหมือนกันก็เป็นศีลสมาธิปัญญาบวกกับทานอีกข้อหนึ่งเข้าไปถ้าเป็นคราวาสถ้าเป็นพระก็ตัดทานออกไปเพราะว่าพระไม่มีเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มน ะ, ะ, ะครับเรัถ้าอยากจะยุติการกลับาเวินว่า้ตาเยเกิด ถ้ายังเป็นคารวะอยู่ก็ต้องปฏิบัติทานศีลภาวนาหรือทานศีลสมาธิปัญญาเริ่มต้นที่ทานก่อนเป็นวิธีใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขซื้อความสุขจากการบริจาคแบ่งปันดีกว่าความสุขที่ไปเสพรูปเสียงกลิ่นล้นสังเกตูนในเวลาไปเที่ยวไปกินไปดืม่มพอกลับมาบ้านักแป๊บเดีรู้สึกเหงาแล้วถ้าอยู่คนเดียว ถ้าไปทําบุญกลับมาบ้านไม่รู้สึกหนาวนะรู้สึกใจใจอิ่มบุญใจสบายใจให้มีความสุขครั บ, ร บ, รบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับพระอาจารย์เสียงชัดเจนอยู่นะครับ อ, อืมอาจารย์เรา<ม>เราเราเราไม่มาเสียงเสียงมันไม่เข้าหูฟังเนี่ยครับไม่เข้าแต่เราได้ได้ยินเสียงของเราเองครับเสียงแล้ว แต่ไม่ทราบมันไม่มันไม่ไม่ ไ, ม ไ, มได้ทราบเป็นเพราะอะไรเราเช็คดูแล้ ว, ลวอาจจ ะ, ปะจเป็นอาจจะต้องอัปเดตโปรแกรมหรือเปล่าไม่ทรับทางดีไลนไ์ก็แล้วแต่ถ้ายัางใช้ได้อยู่ก็โอเคอแต่ถ้าถอดเอาจะไม่ได้ยินเสียงคุณหมออออย่างนี้ต้องใส่หน่อยถึงได้ยินใช่ไหมครับอาจารย์นี้ได้ยินเสียงคุณหมอแต่เสียงเราไม่ได้ยินออไม่ได้ยินผ่านทางไม่ได้ยินผ่านทางหูฟัง อ๋อโอเคครับอาจารย์งงอย่างนั้นก็ยังดําเนินการได้ตามปกติครับอาจารย์ครับโอเคไก็โอเคไปครับอาจารย์ครับก็เลยมีคนถามเข้ามาพอดีครับบอกว่าแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาเป็นค า, ารวาสเขาจะไปนิพพานได้ไหมครับได้ต้องทำทานเสียนภาวนาให้ครบก็เบื้องตอน้นเรพยายามลดการใช้จ่ายเงินทางที่ไปซื้อความสุขจย่างรูปเสียงกิเลสมาเป็นการําบุญนำทานแทนไปจนสามารถที่จะตัด เราคนที่ทําบุญอยู่เรื่อยๆจะจะติดบุญจะชอบมีความสุขจากการทําบุญและการที่จะใช้ใช้เงินทางเสื้อก็ส่งจากรูกเสียงกินแล้วก็จะลดน้อยลงไปตามลำดับจนในี่นสุดก็อาจจะไม่ต้องใช้ไม่ใช้เงินไปซื้อความสุขเหล่านี้เลยก็แล้วก็จะทําให้มีความอสามารถรักษาศีนได้ง่ายขึ้นเพราะเราไม่ต้องดินงนะ้นรนหาเงินหาทองมา ตอบสนองสนามคาวามอยากเราทำบุญทําทานมันจะมีความเมตตาการรักษาสีหน้าก็จะเป็นเป็นการง่ายกว่าคนที่ไม่เคยไม่ไ ม, ไม่ไม่ทำบุญทําทานคนที่ไม่ทมําบุญทําทานจเจ้าเงินไปใช้ซื้อความสุขให้กับตนเองมักจะเออ่จะต้องคาหาเงินต้องมีเงิ น, นอยู่เยอะๆแต่คนที่ทําบุญเนี้ใจเขาอิ่มใจเขาไม่หิวกับการใช้เงิน รูปเสียงกินรสชื่อรูปเสียงกินรสต่างๆก็จะทําให้เขาสามารถรักษาศีลได้ง่ายกว่าสีห้าเขาจะรักษาได้บ่อยสุดเมื่อพอเขารักษาสีห้าได้มีความรู้สึกมีความสุขจากการรักษาศีนะเขาอยากจะรักษาสี เ, าาสเพิ่มจากสีห้าขึ้นไปเป็นสีแปดนะเพราะกาะันจการจะไปภาวนาไปเจริญสตินั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมนี่จําเป็นที่จะต้องอมี มีเวลาเวลาก็คือเราก็ต้องตัดการหาความสนุกจากรูปเสียงกินรถแบบที่ไม่ต้องใช้เงินก็ต้องตัดไปดูของฟรีก็รักดูดูยูทูบ ด, ดูอะไรพวกนี้ได้เปนของฟรีไม่ต้องใช้เงินก็ต้องตัดไปถ้าเรารรักษาสินแปแล้วก็ยังอู่นอีกสินแปนี้จะห้ามการเสพการในรูปแบบของการร่วมเพศกัน ห้ามเสพกา ร, รในรูปของการรับประทานอาหารและเครื่องอดื่มบางอารแล้วก็ห้ามเสพกา ร, รในรูปแบบของการดูมอหรสบันเทิงเพื่อเสริมสวยความงามของร่างกายแล้วก็นอนไม่ให้นอนมากเกินไปให้นอนพอประมาณสี่ห้าชั่วโมงต่อคืนหนึ่งก็พอถ้านอนมันฟุ้งเฟหนามันจะนอนมากพรร่างกายหลังจากที่ได้พักผ่อนสี่ห้าชั่วโมงแล้วก็จะเตะขึ้นมา แต่ถ้านอ น, นันฟนะุ่งนานๆก็อยากจะใจก็อยากจะนอนต่อก็จะไม่นกขึ้นมาก็จะนอนต่ออีกสามสี่ชั่วโมงก็จะทำให้เสียเวลาอันมีค่าตรอบการที่จะมาจะเจริญภาวนาจเจริญสตินั่งสมาธิก็เลยต้องถือถือศีลแปดเพื่อจะได้ตัดการเอาเวลาไปใช้กับการเสพรูปเสียงกินลดต่างๆ จะได้เอาเวลานี้มาเจริญสตินั่งสมาธิงานจงกรมนั่งสมาธิลําเทปลังธรรมไดทั้งสมาธิในทั้งปัญญาสลับกันไปถ้าทำอย่างนได้ต่อไปก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริเห็นเห็นอริยสัจสี่เห็นใจรักเห็นเห็นนั่งกายว่าเป็นอริเป็นใจรักเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาเป็นเของไม่เที่ยมเกิดแล้วต้องแก่เจ็บตาย ไม่มีตัวตนเป็นดินน้ำลมุมไฟอไม่สวยแม่งามอันนี้ก็จะเกิดขึ้นตามมาถ้าเรามีเวลาให้กับการปฏิบัติสมถะภาวนากับวิปัสสนาภาวนาสลับกันไปเื้อมต้นทําสมถะภาวนาทําจิตให้สงบเป็นสมาธิให้ได้ก่อนเพราะจิตที่ไม่มีสมาธิยังไม่มีกําลังสู้กับกิเลสเวลาศึกษาทานด้านบัญญัติเรารู้ว่า ความทุกข์ใจของตนเกิดจากกิเลสตัณหาความอยากก็จะไม่สามารถระงับหยุดเป็นได้แต่ถ้าฝึกสมาธิําให้จิตนิ่งสงบได้จิตจะมีกําลังอยู่กิเลสได้เวลาไปศึกษาไปเรียนรู้ทางด้านปัญญาว่าความทุกข์ของใจนี้เกิดจากตัณหาความอยากเกิดจากกิเลสก็จะสามารถใช้ปัญญาใช้สมาธิช่วยดับความอยากได้ปัญญาเป็นบอกเป็นผู้บอกว่า ใครเป็นตัวที่สร้างความควาทุกข์ให้กับใจแต่ปัญญาไม่สามารถหยุดมันได้ต้องมีสมาธิเป็นผู้มาช่วยหยุดดังนั้ น, นต้องต้นต้อฝึกสตินั่งสมาธิให้ได้ให้ได้พัญญาสมาธิก่อนให้จิตนิ่งสงบแล้วก็มีอุเบกขามีความสุขที่เกิดจากความสงบนก็จะทําให้เวลาเกิดความอยากขึ้นม า, จาใจจะไม่โหยกับความอยาก พอใจมีสมาธิเป็นเครื่องเหลาเลี้ยงจิตใจทำให้ไม่หิวโหยเหมือนกับคนที่ไม่มีสมาธิในเวลาเกิดตัณหาความอยากก็จะสามารถสู้กับวันไ น, น้ถ้าสู้ได้ต่อไปตัณหาที่มีในใจทั้งหมดก็จะหมดไปหมดไปก็จบความทุกข์ที่หลก็หมดไปการมาเกิดแก่เจ็บตายก็หมดไปจิตที่ไม่มีตัณหาความอยาก ก็เป็นจิตบริสุทิ์ที่ว่า น, นิพานจิตนิบานังบาลมังสุขังจิตที่เป็นนิพานนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งเพราะไม่มีตัวที่มาสร้างความทุกให้กับจิตต่อไปจากคุณพัชรวัตรครับกับาเรียนหลวงพ่อขอปัญญาครับตัณหาเกิดหรือไม่เกิดเกิดจากจิตใจใช่ไหมครับ อ๋อปัหามันเกิดจากความหลงไงความหลงที่ไปคิดว่าความสุขอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสอยู่ที่ลาบยศสรรเสริญแล้วพอไปเสพเป็นข้ามันก็ติดเป็นเป็นวิ ส, สัยเป็นสันดานเช่นถ้าคุณไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อ น, นคุณจะไม่ติดคุณจะไม่หิวไม่อยากสูบบุหรี่แต่ถ้าลองไปเผอไปไปสูบดูเคื่อนช่วยให้สูบ่สูบไปสูบมาติดก็เสียเอติดตอนที่นี้มันก็เป็นเหมือนกับบนวงจร อ, อุบ่า พอเสพแล้วมันก็จะเกิดความอยากขึ้นมาจะเสพมิดอยูเรื่อยถ้าเราไม่เคยแตะมาตลอดเวลาตั้งแต่เกิดมาเนี่มันก็ยังไม่มีความอยากไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามโซลาอะไรก็ตามถ้าเราไม่เคยแตะมันมาก่อนนี้มันยังความอยากมันยังไม่เกิดแต่ถ้าเราไปแตะมันเข้าครั้งหนึ่งแล้วมันจะมีครั้งที่สองอยากจะลองอีกแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นครั้งที่สามครั้งที่สี่ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นไปเรื่อยๆ เพความอยากเกิดจากการที่เราไปไปเสพไม่เห็นโทษของสิ่งต่างๆว่ามันจะทําให้เราติดจะทําให้เราต้องทุกข์กับมันเวลาที่เราไม่สามารถเสพมันได้เช่ mm hmm. นคนที่หิวบุหรี่หรือหิวโซลาแล้วไม่มีเบุหรไม่มีบุหรีลหรือลาให้ให้เสพนี่มันจะทรมานใจเราไม่เห็นตอนที่เป็นทุกข์ฉะนั้นถ้าเราเห็นตวว่ามันเป็นทุกข์ซะก่อนที่เราจะไปเสพมันเราก็จะไม่กล้าไปเสพ ในช่วงเริ่มต้นครับคนทั่วไปควรจะอ่านพระไตรปิฎกฉบับไหนครับพระอาจารยออ์ก็ก็อ่านหนังสือธรรมะที่ทางคณะสงฆ์ท่านจัดมาที่สอนพระพระบวชใหม่ดาวะโกวานนี้ก็จะมีเอาธรรมะที่สำคัญสำคัญมารวมอยู่ในเร่อเดียวเช่นอริยสัจสี่ มองคนสามสิบแปดเรื่องต่างๆอันนี้นก็จะมีอยู่ในนวโกว่าเ่อหนังสือขั้นต่อไปก็หนังสือหลักสูตรนักธรรมตรีที่จะสอนเรื่องธรรมะต่างๆจะง่ายกว่าที่ไปอ่านจากพระไตรปิฎกเพราะพระไตรปิฎกนี้มันใหญ่แต่ก็มีมีคนหนึ่งท่านก็เอามาย่อเป็นพระตพระไตรปิฎกฉบับย่อคือเอาเอาคาถา สาระของพระสูตรแต่ละพระสูตรสรุปเอาคือไม่ได้เป็นไม่ได้เอาพระสูตรมาทั้งสูตถึพียงแต่มาสรุปเอาว่าพระสูตรนี้แสดงอะไรเป็นเป็นเนื้อหาสาระก็เราไปค้นหาดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้อพระไตรปิฎกฉบับย่อฉบับประชาชนได้ยังไงก็เลยเนใครได้ยินไหมมีมีผมคดีฉบับประชาชนครับอาจารย์ครับ รู้สึกคุณโซชิฟูเนะน้ำพามันเป็นคนคามเล่มนี้ออาก็ดีสั้นๆดีครับสั้นๆผมยนี่ยอ่านไม่จบเลยครับอาจารย์ที่ทสั้นบเสูดผ่ า, <ม>าสูแต่แล้วผ่สูดน่มันสั้นแต่ทั้งทั้งหมเดเนี่ยเเล่มหนาเปิดเปสองนิ้วมาขนาดสองนิ้วครับอาจารย์ กับนักวิชาการพระอาจารย์ครับหนูอยากปรึกษาสภาวะภายในเวลาเจอความทุกข์หนักๆสังเกตเห็นว่าจิตแยกการทํางานเป็น3ส่วนชัดเจนครับคือหนึ่งกายรับความเจ็บปวดทางกายภาพทั้งหมด2คือใจที่เสวยอารมณ์พอทุกจัดจะเช็คเอาท์ถอยออกมาเป็นผู้ดูเพื่อไม่ให้เจ็บครับเพราะที่สมตัวสังเกตการนิ่งเหมือนกล้อง cctv บันทึกเหตุการณ์อยู่ห่างๆไม่แทรกแซงหนูมีคําถามอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะ S 1> <S 1> สภาวะที่จิต ด, ดีดออกมาเป็นผู้สังเกตแบบนี้ถือว่าเดินจิตถูกทางในการแยกรูปแยกนามไหมครับหรือเป็นเพียงกลไกการหนีความทุกข์ครับแล้วควรจะฝึกน่าจะฝึกอย่างไรต่อไปครับก็ถูกแล้วนะเป็นผู้สังเกตการคให้สังตวาว่ารู้รู้ว่าร่างกายเจ็บอแล้วก็ถ้าเรารู้เฉยๆใจเราไม่ปรุงแต่งไม่เกิดความอยากให้ความเจ็บหายไปความทุกข์ใจก็จะไม่มีเัาระ ง, งับตัณหา ด้วยการแยกแยกใจออกจากร่างกายให้เป็นผู้รู้เฉยๆอย่าไปเป็นผู้อย่าไปเป็นร่างกายอย่าไปอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปคืออย่าไปเจ็บกับร่างกายให้ว่าให้รู้ว่าใจเป็นผู้รู้แล้วก็รู้แบบอุเบกขาเพือวางเฉยให้นั่งฝึกสมาธิถึงจะสามารถมาพิจารณาทางปัญญาและปล่อยวางได้ถ้าไม่มีอุเบกขา ถึงแม้จะแ ย, ยกออกมาใจก็ยังสั่นได้ใจก็ยังเครียดยังทุกอยู่ได้ฉะนนก็ถูกต้องถ้าเราสามารถแยกใจออกจากร่างกายได้หรือว่าความเจ็บของร่างกายก็เป็นความเจ็บของร่างกายความเจ็บของใจก็เกิดจากความตันหาความอยากของเราเองเราก็ต้องระงับความตันหาความอยากด้วยการยอมรับความเจ็บของร่างกายว่าเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้ มัต้องปล่อยให้มันอยู่ให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันแต่ใจเราก็เพียงแต่เป็นผู้รับรู้เฉยๆไปถ้ามีอุเบกขาก็จะรับรู้ได้เฉยๆถ้ายังไม่มีอุเบกขาความอยากในใจมันก็ยังอยากที่จะให้ความอยากความเจ็บหายไปอยู่มันก็จะสร้างความไม่สบายใจให้กับใจได้อยู่ปัญหาคืออยู่ที่ว่าเราหยุดตันหาความอยากได้หรือเปล่าคือความอยากให้ความเจ็บหายไป ถ้าเราหยุดได้หยุดความอยากนะไม่ใช่หยุดความเจ็บนะใจเราก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บของร่างกายพระอาจารย์ครับโยมมาปฏิบัติธรรม 4-14 เมษายนที่นี่ให้ปฏิบัติวิปัสสนาเองที่นี่เน้นเรื่องรูปนามครับมีความรู้สึกสงบทางใจมากอยากขอคําแนะนําจากพระอาจารย์เพิ่มเติมครับก็ถ้ามีความสงบก็ เป็นสิ่งที่ที่ดีที่ควรเริ่มต้นพยายามรักษาความสงบด้วยการใช้สติสติจเจริญสติอยู่ตลอดเวลาเข้าสมาธิบ่อยๆให้จิตมีความสุขจากความสงบและเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิถ้าเราอยากจะใช้ปัญญาก็สังเกต ด, ดูเวลาที่ใจเราเกิดมีความอารมณ์ไม่สบายใจขึ้นมาแล้วก็พิจนารณาดู ว, ว่า ความทุกข์ใจของเรานี้เกิดจากความอยากอะไรอาจจะอยากให้อากาศที่ร้อนนี้มันหายร้อนอย่างนี้เป็นต้นใจเราก็อาจจะทุกขกับอากาศร้อนได้ถ้าเราอยากจะไม่ทุกขกับอากาศร้อนเราก็ต้องสอนใจให้ยอมรับกับความร้อนเรามันเป็นธรรมชาติที่เราไม่สามารถไปไปสั่งไปห้ามมันได้เราอย่าไปใช้เครื่องปรับอากาศเพราะว่านี่มันเป็นการเป็นการ หนีความเป็นจริงของธรรมชาติการใช้เครื่องปรับอากาศเนี่ถ้ า, าอยากจะอยู่กับธรรมชาติโดยไม่ทุกเราต้องปรับที่ใจเราให้ยอมรับกับความเป็นจริงของธรรมชาติคือความร้อนของอากาศ ร, ร้อนให้ได้ว่าให้การร้อนเขาก็ร้อนผงเข้าไปเราอย่าไปยุ่ง <geb ete> เรามีหน้าที่หยุดความอยากของเราอย่าไปอยากให้ความร้อนนี้หายไปแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์ใจเราก็จะอยู่กับความร้อนได้ คือต้องใช้ปัญญาสำหรับการเข้าสมาธิเวลาใจเราเริ่มร้อนใจเราเริ่มทุกข์ไม่สามารถใช้ใช้สติหรือใช้ปัญญานะครับมันได้ก็เราก็ต้อง ใ, ให้มันเข้าไปในสมาธินั่งสมาธิให้จินรวมเป็นสมาธิแล้วความทุกข์ใจความร้อนใจก็จยาหายไปเชื่อเขว oh. แล้าพ่อยิบออกมาใหม่ก็มาพิจารณาใหม่ถ้ายัางมีปัญหาอยู่กับเรื่องใดก็มาพิจารณาเรื่องนั้น ให้ใจปล่อยวางให้ได้ถ้าปล่อยวางได้แล้าใจก็จะไม่ทุกข์กับมนุษยต่อไปด้วยปัญญาถ้าอ่านหนังสือพุทธวจนะดีไหมครับดีเราไม่ทราบพุทธวจนะนี่เป็นหนังสือใครแต่งก็ไม่ทราบนะครับเพรถ้าเป็นมาจากพระไตรปิยกก็ดีอแต่มันเยตินะพระไตรปิฎเนี่มีพระสวเป็น แปดมืนสี่พันบทนีงแนะนำหนังสือที่ที่อัตมาแนะนําไว้นะหนังือหน้าวัปโว่าที่สอนภาพบทใหม่เนี่ยคาราวาสก็อ่านได้ไม่ไม่ไม่ห้ามไม่ไม่เพราะหน้ว่าโวว่าภาพบทใหม่ก็เป็นการาวาสที่เองเนี่ยมันนืองเหนืง่งนุง่งหนื่องห่หมเหนื่งยังไม่เคยได้สัมผั์กับธรรมะของของของพระพุทธเจ้าเลยทาง้งคณะสงฆ์ทั้งอะไรจัดเป็นหนังสือหน้าวัปโวว่าให้มา มีซึ่งมีมพุทธประวัติของพระพทธเจ้าแ้มีธมะคำสอรของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีวินัยของของพระด้วยเสียของพระด้วย mm hmm. กอ่านได้ดีกวไปอ่านพระตไตรปิฎกถ้าอยากอ่านพระสูตก็ก็มีหนังสือที่อ่านมาเคยรวบรวมขึ้นมาที่เรียกว่าเป็นจักรเป็นจัอะไรเป็นสูตเนี่ย mm hmm. เป็นจาพระู พระสูตรห้าพระสูตรที่ที่สําคัญที่จะทําให้เราเข้าใจวิธีการปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์ก็มีธรรมจักรกับประวตินักสูตรเป็นพระสูตรอันแรกที่พระเจ้าทรงแสดงอริยสัจ ส, สี่ครับมากแปมแล้วก็พระสูตรที่สองก็อนัตตลักษณสูตรทรงแสดงว่าทำทั้งปวงไม่มีตัวตน อ, อนัตตลักษณ์สูตรแล้วก็แสดงอธิตยะปริยายาสูตรแสดงให้เห็นว่า รูปเสียงกินรสปวดสะพานนี้ร้อนเป็นไฟเป็นเป็นทุกข์ทุกข์ด้วยความโลภทุกข์ด้วยความกุ่นทุกข์ด้วยความหลงแล้วก็สติปัฏฐานสูตก็เป็นประสตรที่สอนให้เจริญสติเจริญสมาธิและเจริญปัญญาแล้วมงคลสูรก็เป็นเป็นการประพุชสามสิบแปดข้อในกันที่จะนำไปสู่พระนิพพาน แล้นั่นตั้งแต่การรู้จักคบคนอยากคบคนโง่ให้คบคนฉลาดเอเสม า, าจะพาเราเนี่ยมันิทา น, นั่นจะเสม า, าเพราะคนโง่จะพาให้เราโง่คนฉลาดจะพาให้เราฉลาดคนฉลาดนี่เราหมายถึงฉลาดทางธรรมไม่ใช่ฉลาดทางโลกไม่จําเป็นต้องจบปริญญาเอกทั้งโลกแต่เป็นคนที่รู้ธรรมเช่นพระอริยสงสารของพระเจ้าเป็นต้นทอะไรจะ รู้ธรรมันต้องเข้าหาบัณฑิตทางศาสนาพุทธบัณฑิตศาสนาพุก็เริ่มตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปขอความเมตตาพระอาจารย์ขยายความหมายของอนัตตาครับอนัตตาก็คือไม่มีตัวตนอนตาแปลว่าตัวตนพอเจอตัวตัวนอนลงเข้าไปก็กลายเป็นอนัตตาก็ไม่มีตัวตน ก็คือเป็นธรรมชาติเหมือน ด, ดินน้ำลมไฟนี้ไม่มีตัวตนร่างกายเราก็ทํามาจากดินน้ำลมไฟแล้วมันจะเป็นตัวตนขึ้นมาได้อย่างไรที่มันมีตัวตนก็เพราะมีจิตไปครอบครองมันแล้วจิตเป็นผู้สร้างตัวตนขึ้นมาในภายในในความที่ของจิตเองจิตนี่หลงในเรื่องของ้องในเรื่องของตัวตนนะก็เลยคิดว่าตนเองเป็นตัวตน เราก็ไปคิดว่าสิ่งที่ตนเองมาครอบครองเป็นเป็นตัวตนด้วยเพราะตนเองไม่มีรูปร่างหน้าตาก็เลยไปครอบครองร่างกายที่มีรูปร่างหน้าตาพอได้ครอบครองร่างกายที่มีรูปร่างหน้าตาแล้วก็ไปเคลมว่ามีนเป็นตัวเราของเราขึ้นมาจริงๆร่างกายมันก็เป็นของดินน้ำลมไฟแต่ว่าหนึ่งมันก็ต้องกลับคืนสู่เจ้าของเดิมก็คือกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟร่างกายนี้ก็จะย่อยสลายแยกออกไป น้ำก็ไปทาน้ำดินก็ไปทำดินลมก็ไปทำลมไฟก็ไปทาไฟลับขึ้นสู่ที่เดิมของเขา้าพิจารณานี้เราก็จะเห็นว่ามันร่างกายนี้ก็เป็นเพียงแค่ดินน้ำลมไฟเป็นธาตุถ้าเราจะใช้ภาษาปัจจุบันก็เป็นเคมีเนี่ยประกอบด้วยธาตุชนิดต่างๆในตัวเจ่นออกซิเจนคาร์บอนอะไรต่างๆเหล่านี้ มื่อมารวมตัวกันมันก็ทําให้เกิดอาการสามติดสองขึ้นมาแล้ววันหนึ่งมันก็ต้องแยกตัวกันเพราะธรรมชาติั้งสิ่งใดที่มีการรวมตัวกันสิ่งนั้นจะต้องมีการแยกตัวกันนี่คือกฎของธรรมชาติไม่มีตัวตนเช่นต้นไม้นี่ก็ไม่มีตัวตนนในบนเท้าผ้าก็ไม่มีตัวตนไม่มีไม่มีอะตัวตนทั้งนั้นในโลกนี้ แต่จิตที่ตัวหลงไปสร้างตัวตนขึ้นมาภายในความคิดของตนเองแล้วก็เชื่อความคิดของตนเองเหมือนคนสมัยก่อนคนโบราณที่เชื่อว่าโลกนี้แบนก็เป็นความคิดที่เชื่อกันขึ้นมาคิดขึ้นขึ้นมาเองพอคิดมาแล้วก็เชื่อกันมาเก็คิดว่าเป็นของจริงแต่นั้นที่สุดก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่ฉลาดที่สามารถมาพิสูจน์ได้ว่าโลกนี้ไม่แบนโลกนี้กลมเป็นเหมือนเหมือนลูกบอลไม่ใช่เป็นเหมือนจานนั่นเเหมือนไม่เหมือนโต๊ะ นี่ก็เหมือนกันพระเจ้าก็มาพิส่วนแล้วว่าไม่มีตัวตนในทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายก็ไม่มีตัวตนในจิตก็ไม่มีตัวตนจิตก็มีแต่ความรู้สึกนึกคิดมีความมีการรับรู้แต่ไม่มีผู้รับรู้ไม่มีผู้รับไม่มีผู้รู้สึกนึกคิดอันนี้มันเป็นความหลงของจิตไปคิดขึ้นมาเองแล้วก็เชื่อต้องปฏิบัติภาวนายากจิตออกกาย ให้ได้ก่อนเอาจิตกับกายย่าวจากกันเราก็จะได้รู้ว่าจิตกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนนะผู้ที่มาเคลมร่างกายว่าเป็นตัวเราของเรานี้ไม่ใช่เป็นร่างกายร่างกายมันเคลมไม่ได้ร่างกายไม่มีความรู้สึกและคิดความรู้สึกและคิดอยู่ที่ใจและเวลาที่ใจสงบความความคิดว่าเป็นตัวเราของเรามันก็หายไปชั่วคราวแล้วก็จะรู้ว่า ความคิดว่าตัวตนนี่มันอยู่ที่ความคิดของใจคิดขึ้นมาเองใจเป็นเหมือนคนที่แต่งนิยายคนแต่งนิยายนี่แต่งอะไรก็ได้ใช่ไหมจะสร้างคนขึ้นมากี่คนก็ได้จะสร้างอะไรขึ้นมาก็ได้คนอ่านก็เชื่ออ่านไปแล้วก็เชื่อตามที่คนคนที่เขาเขียนนิยายอ่านเนี่ยนั่นก็ลองเชื่อไปแต่คนที่ฉลาดก็จะรู้ว่านี่เป็นเพลงนี่เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นนิยาย น, นะไม่ใช่ความจริง พระพุธเจาก็มาพิสูจนแล้วว่าไม่มีตัวตนมีแต่ธาตุทุกสิ่งทุกอยาก่างประกอบมาจากธาตุทั้งหกธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุรูแล้วก็อากาศสธาตุท่านนั้นแ่ละธาตุเหล่านี้ก็ไม่มีตัวตนคนที่มีอาการทางจิตแต่ไม่ไปหาหมออย่างนี้เราจะต้องทําอย่างไรครับอาจารย์ ก็เรื่องของเขาเนี่ยจะทำยังไงเราไปยุ่งกับชีวิตเขาเดี่ยเขาก็หาว่าเราไปยุ่งกับเขาทําไมถ้าก็มาขอปรึกษาแล้วก็ก็แนะนําก็ได้นี่ถ้ามีการทางจิตก็มีทางเลือกสองทางจะไปหาจิตแพทย์หรือไปหาพระพระก็เป็นจิตแพทย์เหมือนกันพระก็สามวิธีรักษาโรคจิตได้เหมือนกันก็อยู่ที่ความเชื่อว่าเราจะเชื่อแบบไหนแต่ต้องเป็นพระปฏิบัตินะไม่ใช่พระที่ ลดน้ำมลให้นะาพาระพราดน้ําลนี่รักษาไม่หายนะแต่ถ้าพาระปฏิบัติรำยศสอนวิชีเจริญสติทําใจให้สงบแลอาการที่เป็นจิติที่ผิดปกติก็จะกลับมาเป็นปกติได้อยากจะไปบวชครับแต่ตรัดแต่ตัดกับครอบครัวไม่ได้จะต้องฝึกอย่างไรให้ตัดครอบครัวได้ครับเพราต้องคิดความไม่เที่ยงของครอบครวัว ชีวิตของเราในที่สุดก็ต้องมีการทักทัจากกันเป็นธรรมดาไม่ช้าก็แล้วคิดอยู่บ่อยๆแล้วมันก็อาจจะทาให้เราคิดว่ายัางไงก็ต้องจากกันซูจากตอนตอนตอนนี้เราจะได้มีเวลาไปปฏิบัติถ้าไปจากกัตนตอนที่เราใกล้ตายกันนี้มันก็จะไม่มีเวลาปฏิบัติ ช่วงนี้ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรนั่งสมาธิจิตไม่สงบเลยควรแก้ไขอย่างไรครับไม่มีสติไยนั่งแล้วปล่อยให้ใจคิดไมเปื่อยถ้ามีสติเวลานั่งสมาธิต้องอยู่กับกรรมฐานตลอดเวลาอยู่กับการบรกรรพุทธโธก็ได้หรืออยู่กับการดูลมห า, ายใจก็ได้ถ้ามีสติแ ล, ล้วค่อยอยู่กับกรรมฐานตลอดเวลาจิตก็จะแน่นจะสงบถ้าไม่มีกรรมฐานไม่มีสติ ให้อยู่กับกรรมาถามจิตก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะไม่ทําวันนี้ช่วงประมาณตอนหกโมงเย็นตะวันกำลังจะรับฟ้าแต่ดวงตะวันเป็นสีแดงอย่างนี้ธรรมชาติกำลังบ่งบอกสิ่งใดหรือเปล่าครับก็เป็นธรรมชาติของเขาพาที่มันก็มีแต่สีแดงสีส้มสีมไม่มีสีฟ้าสีเขียวไม่ได้บอกอะไรมันเป็น มันเป็นสัญลักษณ์ของของของพาเทตก็จะมีสีแบบนี้ขึ้นมาหนึ่งบทสวดมนต์ใดที่ควรสวดเป็นประจำก่อนนั่งสมาธิครับอาจารยบทไหนก็ได้ที่เราชอบที่เราจําได้เพราะการสวดมนต์นี้ก็เป็นการเจริญสติเป็นการลดความคิดปรุงแต่งให้น้อยลงได้ไม่สวดเลยก็ได้ถ้านั่งสมาธิได้เลยก็ไม่ต้องสวดเลย แล้วดูลมายใจได้เลยดูบริการพูดโธได้เลยก็ไม่จําเป็นจะต้องสวยกันที่ต้องสวยกันเพราะว่าใจมันไม่มันคิดมากใจยังฟุ้งอยู่แล้วการสวดมาแล้วระงับความพุ้งร้านของใจให้มันเบาลงจนถึงในระดับที่เราสามารถดูรมได้เราก็หยุดสวดเป็นการดูมแทน อาจารย์ครับจากคำถามเมื่อสักครู่นะครับที่มีแยกกายใจแล้วก็ผู้ดูนะครับอาจารย์เขาถามว่าควรสุดต่อยอดจากจุดนี้อย่างไรให้มีกําลังต่อเนื่องในชีวิตประจําวันโดยที่ไม่กลายเป็นความเฉยชาครับหากบ้านคือร่างกายที่อาศัยอยู่ตอนนี้มันทุดโทรมมีอาการไม่ค่อยดีหรือแบกรับไม่ไหวแล้วในทางธรรมเราสามารถทุกบ้านนี้ทิ้งได้ไหมครับหรือมีวิธีวางใจต่อบ้านที่พังแล้วอย่างไรครับก็ต้องปล่อยให้มันไปตามสาภาพของมันเราไม่ ไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวเคยเราอย่าไปทําลายมันมันการทําลายเป็นฆ่ามันการกระทําบาปร่างกายนี้ต้องมีอยู่สองทางคือรักษามันถ้ารักษาได้ก็รักษาไปถ้ารักษาไม่ได้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันมันอยู่ได้ก็ปล่อยมันอยู่ไปมันอยู่ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปใจมีหน้าที่ดูเฉยๆรับรู้เฉยๆแล้วยอมรับสภาพความเป็นจริงว่า ในที่สุดมันก็ต้องไปสู่จุดจบเมื่อช้าก็เร็วใจเราอยากไปทุกกับมันท่านเพราะเป้าหมายของการปฏิบัติเนี่ยเพื่อไม่ให้ใจเราไปทุกกับมันที่ทุกเพราะใจเราไปอยากให้มันไม่ไปไม่อยากให้มันตายไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าเราศึกษาดูความเป็นจริงของร่างกายแล้วมันก็ไม่มีใครที่จะเลี่ยงเรื่องความเจ็บความตายของร่างกายได้ ถ้าไม่ที่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมรับความเจ็บความตายของร่างกายทั้งนั้นเองถ้ายอมรับได้ไม่ฝืนไม่ไปขัดไปไปต่อต้านไปต่อสู้ใจก็จะไม่ทุกข์ถ้าใจไปต่อสู้ใจก็จะทุกข์เพราะมันอยากอยากให้มันไม่เจ็บอยากให้มันไม่ตายทํายังไงมันก็หยุดความเจ็บความตายไม่ได้อยู่ดีใจก็จะทุกข์จะเครียตลอดเวลา พระโสดาบันยังมีความอยากจะเก่งอยากจะมีความสามารถอยู่ไหมครับอย่างเช่นอยากจะเรียนรู้ภาษาใหม่ๆต่างๆครับก็มันไม่ได้มันมันไม่ได้แสดงไว้ใหนปะในตำราก็ไม่อยากจะพูดนะพระโสดาบันท่านเ่งแต่ว่าท่านไม่มีความท่านไม่มีความกลัวตายท่านไม่มีความกลัวควา ม, วามเจ็บท่านรู้วิวธีที่ทําให้ใจท่านไม่ทุกข์กับความเจ็บความตายได้เพราะท่านรู้ว่าสาเหตุของ ความทุกข์ใจที่เกิดจากความเจ็บความตายนี้นก็เกิดจากความอยาบไม่เจ็บอยาบไม่ตายนะทั่นเองส่วนอย่างอื่นี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านจะมีอะไรหรือไม่ต้องรอให้มันรู้ก่อนจึกาแล้วใครบรรลุแล้วก็จะรู้เองไม่จําเป็นจะต้องรู้ตอนนี้หรอกให้รู้ว่าการเป็นโสดาบันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาความทุกข์ทางใจที่เกี่ยวเกี่ยวกับความเจ็บความตายของร่างกายนั้นที่เป็นโอกภายไข้เจ็บของใจ การเห็นร่างกายเหมือนตุ๊กตาที่เพื่อนที่ได้เช่นต้องหาข้าวให้กินแปลงฟันอาบน้ําให้รอวานร่างกายเสื่อมพังความคิดนี้ผิดปกติไหมครับขอคําแนะนําจากาอาจารย์ครับไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่าเราจะทุกข์กมันหรือไม่ท่นที่เป็นที่เป็นประเด็นสําคัญเราจะเห็นมันเป็นอะไรก็ได้ข้อสำคัญคือเราจะเราจะปล่อยวางมันได้หรือเปล่าเวลามันเป็นอะไรขึ้นมา เราจะทุกกับมันได้เราจะทุกข์หรือไม่ทุกถ้าเราไม่ทุกข์ก็ถือว่าใช้ได้ถ้าเราทุกข์ก็ถือว่าเราเรายัางีัสอบตรงอยู่เรายังยึดยังมีความ ย, ยึดติดอยในร่างกายนี้อยู่ไม่ US จะรู้ว่ามันเป็นตุกตาตัวหนึ่งก็ตามแต่เราก็ยังหวงมันยังรักมันอยู่ยังมีอุปทานความยึดนั่นถือมังอย่างให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปน า, านๆอยู่ไอ้ตัวนี้ที่ทําให้ใจเราทุกอันนี้ที่เาจะต้องปล่อย หรืออุปทานอย่าไปอยากให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดเพราะมันเป็นของชั่วคราวมันเป็นของที่เราจะต้องจับออกไปในที่สุดไม่ช้าก็เร็วให้ดูว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงดีกว่าดีก็ดูว่ามันเป็นตกตาก็ดูได้ว่ามันเป็นตกตาว่ามันไม่ใช่เราก็ได้ดูว่ามันเป็นอนัตนตามไม่ใช่เราเราคือใจผู้มาเข้าข้องร่างกายเราไม่ได้เป็นร่างกายเหตนเวลาร่างกายเป็นอะไรเราไม่ได้เป็นไปกับร่างกาย ก็้้ดแบบนีคนที่ตายไปแล้วจะรับบุญได้จากการที่เราอุทิศบุญให้เท่านั้นใช่ไหมครับก็แล้วแต่ว่าเขามารอรับบุญหรือไม่ด้วยถ้าเขามีบุญมากพอเก็ก็ไม่ต้องมารอรับบุญจากเราถ้าเขายังขาดบุญอยู่เขาก็อาจจะมารอรับบุญจากเราได้ เขเล่นถามพระอาจารย์ครับเวลาอ่านหนังสือจะมีในหัวคือเสียงอ่านหนังสือที่เราอ่านพร้อมๆหรือเกือบพร้อมกับความคิดในหัวเป็นความคิดอื่นที่มันแล่นขึ้นมาภาพตัวหนังสือก็ยังเห็นอยู่แต่มีความคิดที่เหนียวแรงๆเข้ามาพร้อมๆกันต้องดึงสู้เพื่อกลับมาที่ตัวหนังสือที่อ่านบางทีแพ้ก็จะเห็นตัวหนังสือเหมือนเห็นภาพคือไม่มีการโฟร์เซสตัวหนังสือเป็นคำคำอ่านหรือเวลาสวดมนต์อธิษฐานจิตจะมีเสียงสวดมนต์หรือคำอธิษฐานไปพร้อมๆกับความคิด แทรกมาจะมีเกิดขึ้นพร้อมๆกันบางทีการสวดมนต์หรืออธิษฐานนั้นมีการสวดมนต์ก็สติเรายังมีกําลังน้อยไม่สามารถควบคุมจิตให้อยู่กับการกระทําของเราได้มันยังว่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้อยู่มาแทรกเข้ามาอยู่ดังนั้นมีสองคนแข่งกันคิดอยู่ทั้จริงคนนึงก็เป็นเราก็สติที่คนหนึ่งก็เป็นอยู่ภายใต้อํานาจของสติ ที่คนหนึ่งก็เป็นหมังอยู่ว่าอำนาจของกิเลสคมันยังสู้กันอยู่กิเลยกับธรรมกิเลสกับสติยังต่อสู้กันอยู่จะหายไปก็ตามว่าสติมีกําลังมากกว่ากิเลสแล้วก็จะเหลือแต่ความคิดที่สติเป็นผู้ควบคุมให้คิดเท่านั้นแตความคิดของกิเลสมันก็จะหายไปฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังนวลนะถ้ามันเป็นอย่างนี้ขอให้เรามีหลักคือมีที่เกาะคือให้เรามีสติอยู่กับ สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ถ้าเราอ่านหนังสือเราก็มีสติอยู่กับการหนังสือที่เราอ่านส่วนจะมีอะไรแว๊บเข้ามาจะมีอะไรแทรกเข้ามาก็อย่าไปสนใจแค่นั้นเองให้จดจ่ออ ย, อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่ด้วยสติถ้าสติมีกําลังมากมันก็จะมันก็จะสามารถอยู่ได้ถ้ามันไม่มีกําลังบางทีมันก็เผลอวิ่งไปตามไอ้ตัวที่แทรกเข้ามาแทนก็ได้ กานมาคิดตรงนี้อยู่เดี๋ยวนี่ความคิดอีอย่างคิดก็มาแทรกขึ้นมาบางทีก็ไปกับความคิดใหม่เลยไมได้ถ้าไม่มีสติกำลังมากพอเวลาไม่สบายจะวางตัววางใจอย่างไรครับก็ให้รู้ว่าผู้ที่ไม่สบายก็คือร่างกายเราเป็นผู้อยู่กับผู้เราอยู่กับผู้รู้ผู้คิดนี่เราไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยไปกับร่างกายคือใจไม่ได้เป็นผู้ ผู้เจ็บใข้ได้ป่วยใจไม่จำเป็นจะต้องทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายใจควรจะวางเฉยเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะวางเฉยได้ก็ต้องฝึกสตินั่งสมาธิให้มีอุเบกขาถึงจะวางเฉยได้คนที่ถูกใช้คำว่าคนที่ถูกสตอเบอรี่ให้คนอื่นเข้าใจผิดจะได้รับผลกรรมอะไรบ้างไหมครับถูกใส่ความมุงสตอเบอรีภาษาใหม่เนี่ยครับ น่าคนที่ ท, ทํําาว่่คนททีาก็เสียรางพูดปลดท่้นพูดเขาก็จะต้องมีผลที่จะเกิดขึ้นกับเขาคนที่ถูกใส่ความก็ไม่ก็ถือว่าเป็นการใช้ใช้กรรมเก่าไปแล้วมันชาติก่อนอาจจะเคยไปใส่ความคนอื่นเขาเลยชาตินี้ก็เลยต้องมีคนอื่นมาใส่ความแต่คนที่มาใส่ความนี้ก็เป็นคนสร้างกรรมขึ้นมาใหม่เราไม่ได้เป็นคนสร้างกรรมขึ้นมาใหม่แล้วคนที่ถูกใส่ความนี้ก็ มีแต่มรับกรรมเก่าไปรับวิบากกรรมที่ตัวเองได้ทําไปแล้วมันก็จะได้หมดไปการฝึกรูปนามที่พระอาจารย์พูดถึงเมื่อครู่หมายถึงรูปหนึ่งนามสี่ของขันห้าใช่ไหมครับใช่นามสี่ก็คือที่อยู่ส่วนของใจมันเวลาทํางานมันจะทํางานเป็นทีมไปพัฒ น, นาสัญญาสังขารมีนาตัวที่สําคัญที่เราต้องคอยเฝ้าดูก็คือตัวสังขาร ว่าตัวสังขารมันเป็นตัวผู้ผลิตปัญหาความอยากขึ้นมาเราต้องหยุดตัวนี้ตัวสังขารความอยากให้ความเจ็บหายไปความอยากให้ไม่มีความเจ็บเนี่ยมันจะทําให้ใจทุกข์ทรมานขึ้นมาถ้าเราหยุดความอยากหยุดสังขารที่จะไปคิดให้ให้ความอยากนี้หายไปนี้ก็ต้องให้มันคิดไปในทางความเป็นจริงว่าร่างกายมันต้องเจ็บเป็นธรรมดา ห้ามมันไม่ได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะเราสานมันอย่างนี้มันก็จะได้ไม่เก่อความอยากให้มันไม่เจ็บขึ้นมาได้นั่นเองที่เราต้องกานว่าปฏิบัติกาเปลี่ยนตัวสังขารเนี่ยเปลี่ยนตัวความคิดเนี่ยที่อยากคิดอยากจะให้มีแต่สุขอย่างเดียวไม่อยากให้มีทุกข์กับร่างกายเลยพอร่างกายทุกข์ขึ้นมาก็เกิดความเครียดขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมเพราะอยากจะให้ความทุกข์มันหายไปแต่ความอยากให้มันหายไปไม่ได้ทำให้ค ความทุกข์ของร่างกายหายไปแต่อย่างไรแต่กลับสร้างความทุกข์ของของใจใ ห, ให้ขึ้นใหม่ชั้นหนึ้นความทุกข์ที่ของใจนี่เราสามารถระ ง, งับได้ด้วยการสอนใจว่าอย่าไปอยากให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้เขาเป็นไปตามความเป็นจริงของเขาเราใช้นา้ำทำสู้กับพิจารณารูปรูปประการเนี่ยรูปประการคือร่างกาย อาจารย์ครับที่เราฝึกสติก็เพื่อหยุดสังขาเ น, นี่ใช่ไหมครับะหยุดสังขารส่วนหนึ่งแล้วก็ฝึกปัญญาเพื่อให้ให้จิตเห็นความจริงจริงเพืได้แก้ความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นจิตจิตเป็นร่างกายได้คนที่เขามาหลอกเราเขาจะได้รับผลกรรมนั้นไหมครับเขาก็พูดบดไงก็เขาเขาต้องรับผลกรรมที่เขาได้ทําให้เป็นบาป ให้พูดปลดการโกหกหลอกลงขอคําแนะนําพระอาจารย์ในการฝึกจิตให้มีอุเบกขาครับก็ต้องฝึกสติทั้งวันให้ได้ฝึกได้มากเท่าไหร่จิตก็จะนิ่งจะเฉยได้มากขึ้นอยู่ที่สติเนี่ยแล้วก็อยู่ที่การนั่งสมาธิด้วยฝึกสติเพื่อให้ได้มานั่งสมาธิพอนั่งได้นั่งสมาธิแล้วจิตก็จะสงบนิ่งอุเบกขาก็จะเกิดขึ้นขึ้นมาเต็มร้อย เราเป็นลูกและอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีโอกาสภาวนาแต่ถ้าพวกท่านยังไม่อยากทําเราไม่ควรขยันขยอใช่ไหมครับก็ลองลองชวนดูถ้าชวนแล้วท่านไม่สนใจ ก, ก็ก็แล้วไปวันหนึ่งท่านอาจจะสนใจอาจจะมาถามนึกอยากจะให้เราพาไปปฏิบัติแล้วก็ค่อยพาไปแต่ไม่ควรที่จะบั ง, บงคับกันอย่าไปเคี่ยวเข็นกันไม้เกิดประโยชน์ การอยู่สถานที่สงบสเงียบเห็นความคิดเกิดดับเกิดดับนี้เป็นความฟุ้งหรือมีสติระลึกรู้ครับอาการจะต่างกันอย่างไรครับ อ, อก็มันอาจจะเป็นได้ทั้งสองอย่างเห็นความคิดคิดแล้วเห็นกวามคิดฟุ้งซ่านของเราก็ได้ถ้ามีสตินเราก็จะรู้ว่าตอนนี้เราฟุ้งซ่านแล้วเราต้องหยุดมันนะการใช้พุโทโธหยุดมันนะบริกรรพุโทโธพุทโธไป การสวดมนต์และให้คนป่วยอาการดีขึ้นอย่างนี้มีจริงไหมครับไม่มีหรอกคนป่วยคนป่วยอาจจะได้ยินได้ฟังการสวดแล้วก็ทําใจใเขาสงบได้อาการทางใจเขาอาจจะดีขึ้นก็ได้แล้วมันอาจจะส่งผลทางร่างกายทําให้เหมือนกับว่าอาการทางร่างกายก็ดีต่างขึ้นมาก็ได้เพราะการทางเทศทางธรรมเนี่ยการส่วดมนต์ก็เป็นการทางเทศทางธรรมแบบนี้ทาใจก็สงบได้พอใจสงบนะ อาการที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากอาการเครียดมันก็อาจจะหายตามไปได้การมารมณ์เกิดจากความคิดเราเองไหมครับก็มีหลายหลายทางด้วยกันรูปเสียงกิีดรถที่เราสัมผัสมันก็จะทําให้เกิดการมารมณได้เห็นรูปสวยๆเงางามก็เกิดการมารมได้ได้ยินเสียงไพเราะก็เกิดการมารมได้ เมื่อเพลงดันนึกคิดในใจเราก็เกิดการมโนมได้นเหมือนกันมันมีหลายทางด้วยกันจากภายนอกก็มีอยากภายในก็มีจากความนึกคิดของเราเองเนี่ยะราคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็เกิดการมโนขึ้นมาได้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เกิดการมโนขึ้นมาได้ต้องมีคุณสมบัติแบบใดจึงทําให้เมื่อสังขารดับลงแล้วไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกครับ ก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้านาคามีขึ้นไปคือละการมาตัณหาได้หมดไม่ไม่มีความอยากเสียมรูปเสียงกลิ่นรส อ, อีกต่อไป응ก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษยแต่ถ้าอยากจะไม่กลับมาเกิดในเป็ น, เ ป, นเป็นพรห ม, มก็ต้องละความอยากเสียรูปประชานเลือดรูปประชานไปให้หมดด้วยถึงจะเป็นผ้าหลานขึ้นมาแล้จะไม่กลับมาเวียนว่าตายเกิดในตายพรหมต่อไป ช่วงเวลาที่เราป่วยมีความทุกข์เจ็บปวดกับร่างกายทําอย่างไรจะให้ใจแยกออกจากกายได้ครับก็ทาสมาธิใช้สติแยกออกมากไปคำพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วดูเราหมาย ใ, ใจเข้าออกไปถ้าเราหยู่ความคิดได้ใจกับร่างกายก็จะแยกออกจากกันเพราะความคิดนี้เป็นตัวมาผูกใจให้อยู่กับร่างกายคีว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรา พอหยุดคิดตัวเราของเรามันก็หายไปมันก็ยาออกจากกันไปถ้าจะถือศีลแปดเองที่บ้านต้องทําอย่างไรบ้างครับหรือต้องไปถือศีลที่วัดได้อย่างเดียวครับอ๋อถือศีลนี่ถือศีลที่ไหนก็ได้เพียงแต่ว่าสถานที่เราไปถือนี่มันอาจจะช่วยให้รักษาได้ง่ายหรือยากเท่านั้นเองถ้าไปอยู่ในที่ที่ไม่มีอะไรมารบกวนใจมันก็รักษาได้ง่ายกว่า อยู่ที่ที่มีอะไรมรันก็กวนใจถ้าถือสินปแปลเราไปอยู่กับคนที่เขากินข้าวเย็น น, น, นี่มันก็อาจจะทําให้เรายากเวลาเห็นเขกินข้าวเย็นแล้วบางที่ทําให้เราอยากจะกินกับเขาด้วยแต่ถ้าเราไปอยู่วัด น, นี่ยไม่มีคนไม่มีคนกินข้าวเย็นเลยปัญหาเรื่องอยากจะกินข้าวเย็นก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะมันมันอยู่ที่สถานที่ที่จะเอือ้อหรือหรือหรือต่อต้านการรักษาสิ น, สสนของเราคนนี่ยอม ถ้ารัถือสินแปดก็ต้องมีกับคนที่เขาถือสินแปดด้วยกันเช่นในวันนงงีพาดเนี่ยทั้งยัางั้นก็ถือสินสิบขึ้นไปโอโกาสนะอาจารย์ครับตอนนี้จะบอกเพื่อนๆว่าสามารถจะส่งคำถามก็มาเพิ่มได้นะครับวันนี้รู้สึกคนถามน้อยครับอาจารย์ครับบางทีผมสงสัยเรื่องธรรมะแต่ไม่รู้จะปรึกษาใครเลยไปถามในเอไอจะใช้ได้หรือไม่ครับ กืคเคยเราให้ลูกศิษย์ก็ลองถามดูทันั้นก็ก็พอใช้ได้เพราะเขาเอ า, เอาความรู้จักทางพระไตรปิฎกนี้มามาตอบให้แต่อาจจะมันอาจจะมันอาจจะมันก็ก็ต้องไปพิสูจน์อีกทีนะเพราะคําตอบนี้ไม่ใช่เป็นคําตอบสุดท้ายยังไงยังไงเราก็ต้องเอาไปพิสูจน์กับตัวเราเองอีกทีหนึ่งเมื่อแต่เราศึกษากับครูบาอาจารย์ท่านสอนอะไรวิธีต่างๆ เราก็ต้องเอาไปพิสูจน์กับตัวเราเองอีกทีว่ามันเป็นไปทางที่ท่านสอนหรือไม่งั้นก็ยังต้องเชื่อหูไว้หูฟังหูไว้หูไว้ก่อนมีโอกาสมาถือศีลที่วัดแต่รู้สึกเผลอไหลตามความคิดบ่อยมากๆครับแม้ว่าแม้จะว่างจากหน้าที่การงานก็ตามรู้สึกยากมากรู้สึกเหมือนไม่เห็นทางเลยครับกราบขอขอให้พระอาจารย์ธาตุขันแข็งแรงนะครับ เฉพาะเราไม่มีกําลังที่จะเจริญสติแล้วไม่ใคยเจริญสติมาก่อนเราก็เลยไม่เจริญถ้าเราเคยเจริญมาหนะ้าพอเราอยู่คนเดียวเราก็ค่อยเจริญอยู่เรื่อยๆความคิดฟุ้งซ่านต่างๆก็จะไม่โผล่ขึ้นมาเห็นต้องขยันเวลาเราอยู่คนเดียวภาวนาเนี่ยต้องขยันเจริญสติกราบขอเมตตาพระอาจารย์ครับคนที่ถือศีลทานภาวนามุ่งสู่โสดาบันเป็นหลัก เข้าเกณฑ์ละสังโยชน์สามแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถือว่ายังอยู่ในขั้นโสดาปฏิมาศแต่ยังไม่บรรลุผลใช่หรือไม่ครับใช่กำลังดำเนินการอยู่เหมือนกำนังศึกษาที่ยังไม่จบปี4ียังต้องเรียนให้จบปีี่ก็สอบให้ผ่านก่อนพอสอบผ่านแล้วก็จะได้รับปริญญามีท่านน้ถัมว่าควรฝึกปฏิบัติอย่างไรได้บ้างครับ ก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพยายามปฏิบัติตามคำสอนให้มันถูกต้องทุกประการท่านสอนให้เราทำทานแล้วก็ฝึกทำทานเสียสละบริจาคเงินทองเงินทองที่เราจะไปซื้อความสุขจากรูปเสียงกล่นตอนนี้มาทำมุนทำทานแทนแล้วก็เริ่มต้นรักษาสีนห้ารักษาสินห้าได้แล้วก็หัดไปรักษาสินแปดเพิ่มในวันพระวันที่เรามีเวลาว่าง แล้วก็ไปอยู่วัดห้ประปยู่ชษซ้อที่ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เรามีเวลาให้กับการภาวนาเดินจยกลมนั่งสมาธิเป็นต้นนี่ก็คือการปฏิบัติที่เราจะต้องทำควบคู่กันไปทั้งสามขั้นเลยที่หลวงตาท่านนั่งสู้เวทนาจนก้นแตกแล้วสมาธิท่านไม่เคยเสื่อมอีกเลยคือตอนนั้นท่าน ละกิเลสบางตัวได้ตอนนั้นท่านเลยไม่มีตัวกวนสมาธิท่านจึงไม่เสื่อมอีกเลยใช่ไหมครับก็คิดว่ามันเป็นสติอัตโนมัติขึ้นมาเพาะสติมันต้องทำงานตลอดเวลามันก็เลยถ้ามีสติคอยคุมอยู่ตลอดเวลามันก็จะไม่เสื่อมผลบุญจากการปฏิบัติธรรม สามารถอุทิศเป็นสเบียงบุญให้พ่อที่แก่เท่ายามเสียชีวิตได้ไหมครับมันไม่มีใครทําได้สิปัญหาอยอะในตาําราท่านทังสอนให้อุทิศบุญด้วยการ ท, ทาําทานพอทําปุ๊บมันก็ได้ผลทันทีแต่การนั่งสมาธินี่บางทีนั่งเป็นสิบปีมันก็ยังไม่ได้ผลก็มีอันนี้นในตำนานท่านทั้งไม่สอนเรื่องการอุทิศบุญด้วยการรักษาศีลหรือภาวนาท่านสอนให้ทําทานได้อยากจะอุทิศบุญให้กับผู้ล่วงรับนะ อาบน้ำมนต์ผิดหรือเปล่าครับมันเป็นความเชื่อคันศีลพัตตปรมานี่เป็ น, าปาปนอาบน้ำมนต์ก็เหมือนกับน้ำที่บ้านดินดีเนี่ยนะหมืนต่างกันนี่แหลน้ำมันก็เป็นน้ำครับมันไม่ได้ทําให้เราวิเศษขึ้นจากการอาบน้นํามนต์มาเราจะวิเศษขึ้นก็คืออยู่ที่การทําความดีตา่างๆอยู่ที่การทําทานรักษ า, ษาศีลภาวนาเอันนี้แหละจะทําให้เราวิเศษขึ้นมา การขอขมา ก, กรรมพ่อแม่เช่นในเทศกาลสงการานนี้เบื้องต้นคือลูกเองจะสบายใจขึ้นหากเคยทำสิ่งใดผิดพลาดต่อพ่อแม่แต่ผลกรรมยังคงอยู่ใช่ไหมครับถ้าทำบาปไปแล้วบาปนั้นก็ยังอยู่มไม่อารอดแสดงผลวันใดวันหนึ่งข้างหน้าอาจารย์ครับพญญามากมีจริงไหมครับไม่เคยเห็นนะเห็นแต่ ง, งู <c oughs> เคยเห็นงูแต่นั้นตัวใหญ่เลยนะครับน่ากลุดพระอาจารย์น่าจะเป็นกายที่เบ้างค่ะขอพวกนี้ต้องมีตาเทพถึงจะเห็นได้พวกพญานาคไรื่อนี้เป็นเป็นเรื่องของกายที่เป็นพวกเทวดาและเป็นเทพไมอเป็นอะไรไม่เป็นเนรัจฉานก็ไม่รู้นะเรื่องจะเรียกกันแต่เป็นพวกนี้ก็จะต้องเป็นพวกมีอภิญญาเพื่จะเห็นได้อยากให้พระอาจารย์เล่าเรื่องวิญญาณคับพระอาจารย์ เราไม่มีหรอกก็วิญญาณของเราก็ทุกใจของเราเนี่อันนี้อยู่กับร่างกายเราก็เรียกว่าใจพอร่างกายตายไปใจเราก็กลายเปย็นดวงวิญญาณอยู่ในโลกของความฝันไว้เหมืนอนการที่เรานอนหลับเนี่ยเวลาเรานอนหลับแล้วก็เราตายแบบชั่วคราวตายสักแปดชั่วโมงช่วงที่เราหลับดวงวิญญาณของเราก็ผลิตความฝันขึ้นมาเมื่ออํานาจของบุญด้วยบาปที่เราได้ทําไว้เห็นเรื่องราวต่า ง, ขงาๆขึ้นมา ชั่วข่าวพราะร่างกายตื่นขึ้นมาปั๊บความฝันนี่ก็หายไปแต่ถ้าเราตายแล้วดวงวิญญาณก็จะฝันนี้ไปจนกว่าอํานาจของบุญหรบาต ท, ที่ะเล็ดความฝันนี้มันหมดลงเราถึงจะมารอรับร่างกายของมันเพื่อมาเกิดใหม่อีกรอบหนึ่งยังไม่เคยเริ่มฝึกสมาธิเราจะฝึกสมาธิให้ได้ผลดีควรเริ่มอย่างไรครับขอแนวทางครับ นริมด้วยสติพยายามฝึกสติให้มากมากก่อนที่จะมานั ah ่งสมาธิจะกบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยก็ได้หรือจะเฝ้าดูการทํางานของร่างกายการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกเดียา์บทก็ได้อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่อยเปยผูกใจไว้อยู่กับพุทโธผูกใจไว้อยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทําของร่างกายไปแลื่เวลามานั่งสมาธิมันก็จะใจก็จะสงบได้ง่ายพอเรามานั่งสมาธิถ้าเราใช้พุทโธแล้วก็ใช้พุทโธต่อได้ เราใช้การดูร่างกายเป็นการจเจริญสติเวลาเรามานั่งเราก็เป็นจากการดูร่างกายมาดูลมหายใจแทนผมฟังธรรมะของพระอาจารย์แล้วนําไปปฏิบัติสี่ห้าครบบริบูรณ์ครับตอนนี้สามวันกินข้าวหนึ่งครั้งจิตใจคล่องแคล่วว่องไวมากครับพระอาจารย์อืม อ, อนุมูลธนาด้วยสามวันกินข้าวครั้งหนึ่งนี้ยทำแล้เก่งนะ แสดงวมีสติมากสามารถควบคุมความอยากกินข้าวได้ทําใจอย่างไรดีครับคนที่รักด่วนจากไปกระตันหานจากอุปัติเหตุครับก็คิดว่ามันเป็นเหมือนกับฝันลายไปก็แล้วกันมันผ่านไปแล้วเราเติบขึ้นมาเมื่อเกินเราฝันลายพอาเติขึ้นมาความฝันนั้นมันก็ผ่านไปนอยามาคิดให้มันเสียใจเสียเวลาเปล่า ป่วยมันผ่านไปนึงใจให้กลับมาอยู่ในปัจจุบั น, นเวลาคิดถึงเขาก็าพยายามใช้พุโทโธพุโทโธยึดเอาไว้อย่าไปคิดถึงเขาเพราะคิดถึงเขาแล้วจะทให้เราเศร้าใจเสียใจเพราะเขาก็ไม่กลับมาแล้วอยู่ดีเป็นเหมือนความฝันความฝันที่เราฝันเมื่อคืนนี้มันไม่กลับมาให้เราอีกแล้วเป็นเป็นวันทามทุกอย่างเป็นแค่ครั้งเดียวการที่รู้จักใครแล้วเขาตายจากเราไปกัเหมือนกันการพบปะเป็นครั้งเดียวกัน พอไปแล้วก็ไปเลยไม่มีวันที่ควรกลับคืนมาเองอย่าไปคิดให้เสียเวลาคิดแล้วมันจะทําทให้เราทุกขไป เ, เปล่าพยายามหยุดความคิดเหล่านี้ด้วยการใช้สติเว้นการพุโทโธพุโทโธไปหรือสวดมนต์ไปก็ได้ฉันได้พระอาจารย์เคยบอกว่าเหมือนเราเจอกันที่สนามบินใช่ไหมครับพราอาจารย์เราต่างคนต่างไปไ การปฏิบัติโดยใช้บริกรรมยุบหนอพองหนอและเดินจงกรมกำหนดซ้ายย่างหนอเป็นไปตามพระไตรปิฎกหรือไม่ครับไม่แน่ใจว่าในพระไตรปิฎกเขาแสดงไว้ว่ารู้สึกในสติประทานส่วนท้ายให้รู้เฉยๆให้ดูเฉยๆเวลาดูก็ให้ดูลมไม่ให้ดูที่เท้าให้ดูที่ปลายจมกูกแทนดูลมเข้าออที่ปลายจมกูกที่เรียกว่าอานาปัญสติเวลาเดินจงกรมก็ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายของเท้าไป แต่ไม่ได้มีการให้ท่อพุ่นยุบเหนือพองนอนนี่ไม่มีไม่มีในในพระสูตรที่ได้ศึกษามาแต่ก็ไม่หมายความว่าทําไม่ได้นะทําได้ถ้ามันทําแล้วเกิดผลขึ้นมาทําให้จิตสงบได้ก็ใช้ได้เพราะอบาวิธีมันมีหลากหลายนะพระไตปรปิกไม่ใช่เป็นเป็นผู้ที่จะเป็นผู้ที่จะเป็นผู้ชี้ขาดคนเดียวว่าต้องเอาวิธีนี้วิธีเดียว เพราะการเจริญสมาธินี่มันมีหลากหลายวิธีด้วยกันข้าสำคัญก็คือใช้วิธีไหนแล้วทำให้เจริญสมองได้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันการขอความเมตตาพระอาจารย์ครับการพิจารณาอาสุภะกรรมฐานจะต้องทำอย่างไรครับก็นหนึงนึกถึงส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเช่นาการที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเข้าไป เนื้อแอนกระดูกเยื่ในกระดูกมา้ามหัวใจตับทั้งเผือดตายปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยเยื่ในสมองศรีรษะเนี่ยถ้าเราไม่รู้เพะว่ารูปเล่าหน้าตาเป็นไงก็ไปเปิดหนังสืออนาตามีดูไปเปิดปัญหานในอินเทอร์เน็ตอยู่เอาแบบเป็นที่เป็นแบบเป็นรูปรูปวาดก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นรูปถ่ายก็ได้ครับเพราะรูปถ่ายอาจจะหาได้ยากก็ดูแบบที่เป็นรูปวาดก็ได้มันก็ดูคล้ายๆกัน มันก็จะเห็นภาพจะจริงจังว่าคนเรานี้ถ้าถ้าไม่มีผิวหนังหุ้มผ่อนเราเนี่ไม่น่าไม่มีส่วนไหนน่าดูเลยหรือจะดูดูคนที่ตายไปแล้วก็ได้ดูซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าชา้าแตสมัยนี้ก็หาดูยากอยู่เมื่อแต่ใงานศพก็ยังไม่เห็นหน้าคนตายเลยเมื่อเห็นหน้าคนตายหน้าตาก็ถูกแต่งถ้าสวยงามดูไมื่เหมือนคนตายเลยเมันก็เลยไม่มีอสุภะให้ดูยากหน่ การนั่งสมาธิที่มีคุณภาพเป็นอย่างไรบ้างครับและจะมีผลอย่างไรครับคือนั่งแล้วสงบเลยถ้านั่งแล้วสงบเลยก็ถือมีคุณภาพแต่นั่งไม่สงมแต่นั่งได้นานเป็นชั่วโมงเนี่ยมันก็นั่งได้ได้ปริมาณแต่ไม่ได้คุณภาพไม่ได้ความสงบไม่ได้ผลอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายทาอย่างไรให้ดึงสติกลับมาอย่างรวดเร็วครับ วาแค่กรรมอะไรกรรมเนี่ยเรียวที่สุดเลยรกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเลยพิษุณีกับพระภิกษุปฏิบัติธรรมต่างกันหรือไม่ครับเคยไปฟังธรรมแล้วบางทีไม่เข้าใจเหมือนคนละอย่างกันเลยพระอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยครับคือพิกษุณีก็มีวินัยคือขอ้อข้อห้ามซึ่งพระภิกษุก็มีข้อห้าม พระภิกษุกับพระภิกษุณีก็มาข้อก็เหมือนกันบางข้อก็ไม่เหมือนกันพระภิกษุณีรูสสึกมีต้อง300กว่าข้อมส่วนพระภิกษุนี่มี227ข้ออันนี้เราจะต้องศึกษาดูไปเข้าไปค้นหาในในอินเทอร์เน็ตก็ได้พระวินัยของภิกษุณีพระวินัยของภิกษุกษแล้วเขก็จะแจ้งให้เราทราบว่ามีข้อไหนที่เหมือนกันมีข้อไหนที่ไม่เหมือนกัน แต่สุดท้ายก็คือมรรคแปดศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันไหมครับอาจารย์ก็เป็นศีลนี่อยู่ในกลุ่มศีลวินัยขั้นเศีลข้อห้ามแต่กันคุณแม่เพิ่งจะเสียชีวิตไปวันที่สี่เมษายนครับทําใจไม่ได้ครับขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ครับก็อย่าไปคิดถึงท่านนะถ้าทำใจไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปคิดถึงท่านพยายามลืมเะตอนนี้เรามันเหมือนมีแผลในใจเรา พอคิดถึงคุณแม่ที่จากไปก็จะทําให้มันเปไปสะกิดแผลเก่ามันกทําให้เจ็บอย่าเพิ่งไปคิดถึงท่านตอนนี้เลยรอให้แผลหายก่อนให้ ร, รอเวลาผ่านไปแล้วเราใจเราคิดถึงท่านแล้วเราไม่เศร้าแล้วเราค่อคิดถึงท่านอันนี้อย่าเพิ่งไปคิดถึงท่านพอไปคิดแล้วมัจะทําให้ใจเราเศร้าโศกเสียใจไม่เกิดประโยชน์อะไรพอคิดยังไงท่านก็ไม่กลับมาแล้ว การที่เราไม่ปล่อยวางจะทำให้จิตใจเราทุกข์ใช่ไหมครับใช่เมื่อเราไม่ปล่อยวางเราก็จะอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นตามใจอยากเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเราปล่อยก็เราก็จะไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาไปเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาอยากสรางคารุกรรมฝ่ายดีคารุกรรมฝ่ายชั่วค่ะอาจารย์ โออันนี้มันก็ไม่ทราบจะตามยังไงพวกเราก็ไม่ได้เรียนมาทํา น, นี้โดยตรงทาว่าเขา้า ก, กรรมยังไม่รู้ว่าเป็นกรรมหนักหรือกรรมเบาเข้าใจว่าเป็นกรรมหนักครับกรรมหนักนะครับกนะรบรมหนักก็ที่ออมที่หนักที่สุดก็คืออนันตระยะกรรมที่มีอยู่ห้าคอฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพ่อหนานทำให้พระพุทธเจ้าฮอเลือดแล้วก็ ทำให้สมเกิดความแตกแยกขึ้นมา น, นี่คือห้าข้อที่ถือว่าเป็นกรรมนะตายไปก็จะต้องไปใช้กรรมในนะรกที่คมที่เล็กที่สุดโดยใช้ยากำจัดเพลี้ยโรยไว้ใต้ต้นมะม่วงโดยไม่ได้ฝังกลบให้ลึกทำให้มีกระรอกจำนวนมากกินแล้วเสียชีวิตเราจะบาปมากไหมครับแล้วมีวิธีไถ่บาปได้ไหมครับ ถ้าเราไม่มีจิตนาที่จะทำให้กระรอความเสียงไม่มีความตั้งใจมันก็ยังถือว่าไม่บาปอยู่แต่เป็นการบกพร่องของเราซึ่งมันก็าจจะเกิดกับเราต่อไปได้อาจจะไปเจอคนที่ก็ทําอะไรบกพร่องแล้วทําให้เราไปไปรับโทษของความบุกพร่องของคนอื่นที่เขาทำไว้ก็ได้ถ้ทาทำที่ดีก็พยายามทําำทุกอย่างให้มันเรียบร้อยไม่ให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่นได้จะดีกว่าถึงแม้จะไม่มีเจิตนาก็ตาม แต่มันก็เกิดความเสียหายได้แล้วความเสียหายนั้นก็อาจจะกลับมาที่ตัวเราต่อไปก็ได้การเลื่อนระดับทุกแต่ละขั้นเราจะทราบได้อย่างไรครับก็ความทุกข์ที่ที่อยู่ในขั้นนั้นมันจะหายไปเราก็รู้ว่าเราได้เลื่อนผ่านขั้นนี้ไปได้นะเช่นเราทุกข์กับร่างกายนะทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายพอเราสามารถดับความทุกข์ความเจ็บ นัความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บความตายได้นวก็รู้ว่าเราเลื่อนขั้นขึ้นไปนะเราก็จะไปเจอความทุกข์ใหม่ที่ของอีกขั้นหนึ่งเราก็ต้องไปแก้วความทุกข์ของขั้นนั้นต่อไปจนกว่าไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจนะก็ถือว่าเราได้ผ่านทุกขั้นไปแนละ้ว ผู้บรรลุพระอริยะยังมีความเคยชินในอดีตชาติเช่นทางคำพูดทางประพฤติกายต่างๆที่ไม่ค่อยสุภาพและอ่อนโยนโดยไม่ได้ผิดศีลห้าไหมครับอาจารย์มีมีอย่างห้องปู่เจ๊เนี่ยท่านก็เป็นคนที่นิสัยของผามบพูดจาแบบว่ามึงกูอะไรอย่างเงี้ยมล้วหลวงพ่อคู่อย่างเงี้ยท่านก็พูดมึงกูใช่ไ ใ, ในภาษาของโลกเขาก็อาจจะว่าเป็นความพูดที่ไม่เหมาะสมไม่ไม่สุภาพ ในวาษาธรรมขอท่านถือว่ารรมันก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนไม่ได้ไปพูดปดไม่ได้ไปด่าใครอันนี้ก็มีนิสยัยอาจจะไม่เปลี่ยนนิสัยที่ไม่เป็นกิเลสนี้ท่านจะไม่ไม่เปลี่ยนอนิสัยที่เป็นกิเลสนี้ท่านจะดับได้กับผมเคยพิจรารณาร่างกายเนื้อเราก็เหมือนเนื้อหมูตามตลาดกระดูกเราก็เหมือน ก้างปลาผิดไหมครับอาจารย์กับความไม่ตาครับคือเราต้องเข้าใจว่าเราพิจารณาเพื่ออะไรเถ้าเราพิจารณาเพื่อให้เราไม่ทุกทุกข์กับร่างกายก็ถ้าพิจารณาแบบนี้เราทําให้ใจเราไม่ทุกข์ได้ก็ใช้ได้ต้องดูที่ผลของการพิจารณาทหารที่ไปรบเพื่อชาติแล้วฆ่าศัตรูตายอย่างนี้เป็นบาปมากไหมครับ ก็บาปนะกับการที่ไปเป็นโจรสู้ร้ายไปไปฆ่าคนที่เราไปขโมยข้าขโมยของควรนั่งสมาธิกับเดินจงกรมแบ่งสัดส่วนอย่างไรครับน่าแต่ความสมัครใจและน่ความพอใจถ้านั่งสมาธิยังไม่ได้ก็อาศัยการเดินจงกรมไปก่อนให้มีสติเพิ่มมากขึ้นก่อนเดนกว่าเราจะมานั่งสมาธิได้ พ้นั่งสมาธิได้ผลดีขึ้นแล้วก็ อ, อาจจะนั่งสมาธิมากกว่าการเดินก็นได้แล้วแต่ผลก็คือความสงบที่เราจะได้จากการนั่งสมาธิและการเดินจงกรมจะเป็นตัวบอกว่าเราควรจะทําอย่างไหนมากกว่ากันศึกษาศาสนาพุทธมีหลายแนวทางหลายสำนักเหลือเกินครับทําไมจึงไม่เป็นหนึ่งเดียวทําให้ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติแนวไหนที่ถูกต้องครับ มันก็ที่มันมีหลายแนวก็คือที่การจเจแิญสมาธิทางที่มีหลายแนวเหมือนกันแต่ทั้งอื่นีท้ทางปัญญานี้ก็แนวเดียวกันอริยสัจสี่ใต้นับเหมือนกันการรักษาสีเงาสีเหมือนกันการทําบุญทํำทานก็เหมือนกันเราถ้าเราไม่ศึกษาเลยเราก็จะไม่รู้ความแตกต่างเท่านั้นเองแต่ถ้าเราศึกษาแล้วเราก็จะรู้ว่าส่วนที่มีความแตกต่างก็คืออยู่ที่การ การการฝึกสมาธินี้ทา้งน ท, ท, ท, ที่ที่มีหลากหลายวิธีด้วยกันเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยครับคิดมากจะต้องทำอย่างไรดีครับฝึกสติไว่อยากไ้คิดคิดเท่าที่จาเป็นคิดด้วยเห็นด้วยผลอยากคิดด้วยอารมณ์การเร่งความเพียรในการปฏิบัติภาวนาโดยใช้วิธีมรณานุสติเป็นแนวทางที่ถูกต้องหรือไม่ครับ ก็เวล <ory> าคิดถึงความตายมันก็จะทำให้เรารู้ว่าชีวิตเรานี้ไม่แน่นอนจะตายเมื่อไหร่ก็ได้มันก็าจจะทําให้เราเล่นความเพลินให้มานกขึ้นก่อนที่เราจะตายอนุภาพของการปฏิบัติช่วยให้สมองโล่งเบาสบายเวลาอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติแต่พอกลับไปทํางานนี่ปวดหัวครับควรจะทําอย่างไรดีครับก็อย่ากลับไปทํางานไง เราจากงานแล้วก็ไปอยู่ศูนย์ปฏิบัติอายุจะห้าสิบปีแล้วยังไม่มีบ้านอยู่อยู่บ้านเช่าไปจนตายแบบนี้เลยได้ไหมครับได้เม่จำเป็นจำเป็นเป็นบ้านของเราเราตายดที่เป็นที่อาศัยที่เราอยู่ได้ก็ใช้ได้ปกปิดป้องกันภัยที่จะมากระทบกับร่างกายตายไปแล้วก็เอาบ้านไปไม่ได้อยู่ดี คุณแม่ใส่บาตรด้วยเงินทุกวันผิดไหมครับคือก็มีกฎธรรมเนียมไว้ว่าถ้าจะใส่บาตรด้วยเงินก็ต้องฝากให้กับลูกศิษย์เป็นคนเก็บเอาไว้ถือไว้ไม่ควรเอาเงินใส่ไปในบาตรแต่บางแห่งเขาก็อาจจะอนุโลมบ่อนบานกันก็ใส่ได้เรียนถามพระอาจารย์ครับเคยได้ยินพระอภิธรรมเรียง จิตเจตสิกรูปนิพพานทำไมถึงวางรูปไว้ใกล้นิพพานครับไม่ทราบไม่งั้นพระเราก็ไม่ได้เรียนมาเทวดามีจริงไหมครับทำไมพระพิรุนทำให้ฝนตกไม่เป็นที่ที่ที่ต้องการไม่ตกที่ที่ไม่ต้องการกลับตกครับคือเทวด า, ามีแต่ไม่มีตามที่เราเข้าใจกันเช่นพระพิรุนเนี่ยมันมันไม่ทราบว่ามีจริงหรือไม่มีจริงอาจจะเป็นความคิดปรุงแต่งขึ้นมา เทวดาก็คือผู้ที่ทําบุญแล้วตายไปแล้วไปอยู่สวรรค์เราก็เรียกว่าเป็นเทวดาเทวดาแบบนี้มีจริงแต่เทวดาที่ยัมาทําให้ฝนตงนี้ไม่รู้มีจริงหรือไม่ถ้าเจอกับสถานการณ์ที่กดดันเร่งรีบรู้สึกตกใจตกไปที่ท้องอยู่บ่อยๆควรแก้หรือวางใจอย่างไรครับ กดึงสติกับมาพยายามใช้คำบริกรรมพุโทโธพุโทโธเพื่อให้ใจนิ่งให้ใจสงบมีความสับสนครับธรรมะจะช่วยได้ไหมครับก็เบื้องตอนก็ทำให้ความสับสนสงบตัวชั่วขา่าวถ้าเราใช้สติบริกรรมพุโทโธให้ใจนิ่งพองใจนิ่งแล้วความสับสนก็จะหยุดไปชั่วขา่าว ถ้าเราอยากจะให้ความสับสนหายไปหลังจากที่ออกจากความสงบมาเราก็ใช้ปัญญาแยกแยะเห็นด้วยเห็นด้วยผลอะไรเป็นอะไรปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้เจริญไม่เสื่อมต่อไปครับไม่ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่าหยืดการปฏิบัติจนก่อนจะเซ็งขีดที่มันไม่เสื่อมแล้วเราก็ค่อยหยุดปฏิบัติได้ สิ่งที่มีค่าที่สุดของการได้เกิดเป็นมนุษย์คือการได้ปฏิบัติธรรมรักษาศีลผมเข้าใจถูกต้องไหมครับได้ไปพันิพานถ้าไม่ได้มาเกิดปเป็นมนุษย์เน่และไม่ได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาจะไม่มีโอกาสที่จะไปถึงพันนิพานได้ด้วยตนเองขอปัญญาในการควบคุมสติครับช่วงนี้เวลามีอะไรมากระทบจิตใจรู้สึกอ่อนไหวตามสิ่งที่มากระทบบ่อยมากครับ เพราะเราไม่มีสติร เ, ตเราไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจถ้าเรามีบวชคำบริกรรมจิตใจเราก็จะไหวอ่อนไหวหรือเวลามันจะอ่อนไหวเราก็ใช้คําบริกรรมนี้ดึงจิตกลับมาให้อยู่กับคำบาิกรรมแล้วอาการอ่อนไหวมันก็จะหายไปสามารถเราสามารถเปลี่ยนโชคชะตาเปลี่ยนกรรมไม่ดีที่เราเคยทําในอดีตด้วยตัวของเราด้วยความดีของเราได้หรือไม่ครับ แล้เปลี่ยนกรรมที่เราไปทําแล้วแน่อดีตไม่ได้แต่เราเปลี่ยนกรรมในปัจจุบันได้ถ้าตอนนี้เราทำกรรมไม่ดีเราก็เปลี่ยนได้ตอนนี้ในปัจจุบันแต่เราไม่สามารถไปเปลี่ยนอดีตได้เพราะมันผ่านไปแล้วงั้นเราเปลี่ยนเปลี่ยนกรรมได้เฉพาะในปัจจุบันถ้าเราเคยทําบาปเราเลิกกระทำบาปได้แสดงว่าเราก็บาบเปลี่ยนกรรมนะผลที่จะเกิดขึ้นตามมาก็จะ <s> ก็จะไ <s> ม่เหมือนกัน คนรักเสียชีวิตทุกจนไม่อยากเจอกันอีกในชาติหน้าแต่ยังทําบุญให้ตลอดจะทําให้ต้องเจอกันอีกไหมครับไม่แน่นอนการจะเจอกันอีกหรือไม่นี่ไม่มีอะไรแน่นอนแต่ถ้าเราเข็ดแล้วต่อไปถึงไม่จะเจอกันเราก็ไม่เราก็อาจจะไม่นัดเขามันที่เราเคยรักเขาก็ได้พราความทุกข์มันจะสอนเราครั ว, ว่ามันถ้าเป็นรักเขาวเราจะต้องทุกข์แบบนี้อีกปัญหาคือจะจําได้หรือไม่ทั้งนี้ พอไปเจอกันใหม่นี่เริ่มควาบเจ็บเริ่มความทุกข์ก็มีแล้วก็ไปลงรักเข้าใหม่เหมือนเดิมอีกการสวดมนต์มีความสําคัญพอๆกับนั่งสมาธิเลยใช่ไหมครับก็เป็นการทําสมาธิแบบหนึ่งเพียงแต่ว่าจะไม่ได้สงบเต็มร้อยาการทําบางสกุลในวันสงกรานทางพุทธมีความหมายอย่างไรไหมครับ เป็นการทําบุญทําทานอย่างหนึง่งใส่บาทก็ได้ถวายสังฆทานก็ได้ถวายผ้าตายจีวอนก็ได้การถวายผ้าบางสกุลก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เขาทากันเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวเนื่องกับคนตายถ้าเราทำบุญเกี่ยวเนื่องกับคนตายนี่เราต้อจะทําถวายผ้าบางสกุลเพราะอะไรเพราะว่าในสมัยอดิตการในถวายพุทธกาลในผ้าภิกษุนี่ท่านจะเวลาท่านต้อการผ้าเอามาทําเป็น ผ้าเป็นผ้าเครื่องลูกหูลห่มเป็นจีวรนี่ท่านจะไปเก็บผ้าที่ห่อศพที่ไว้ในป่าช้าเรืยกผ้าบางสกุลนี่แปลว่าผ้าห่อศพเพราะในสมัยพุทธกาลนี้เขาไม่นิยมเผาหรือฝังเวลาคนตายนี่ก็จะผ้าห่อศพผ้าเอาไปทิ้งไว้ในป่าช้าให้มันเน่าเปื่อยจนแห้งเหนือแต่โครงกระดูกผ้าที่อยากจะต้องการผ้าก็ไปชักผ้าผ้าเหล่านี้มาทําเป็น ผ้าจีวรเอามาซัดมาเย็บก่อนเอามาซัดมาย้อมก่อนแล้วก็ามาตัดมาเย็บให้เป็นผ้าจีวรก็เลยมีเป็นธรรมเนียมตามมาในสมัยปัจจุบันถ้าเราทําบุญเกี่ยวกับคนตายเราก็จะทำบุญด้วยการถวายผ้าบางส่วนได้ฟังธรรมะพระอาจารย์แล้วเวลาเห็นเขาแต่งงานกันรู้สึกว่ามันคือการหาห่วงร้อยรับตัวเองไม่อิสระ จนมาฟังธรรมะพระอาจารย์แล้วเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรแบบนี้ผมคิดถูกต้องไหมครับไม่แสดงว่าเห็นธรรมเห็นทุกข์นะเห็นทุกข์ในสิ่งที่เป็นทุกข์เมื่อก่อนนี้ยังอาจจะเห็นชื่นชมยินดีกับการแต่งงานก็ได้ว่าเหมือนเป็นสุขเห็นสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์แต่ตอนนี้เราเห็นว่าเห็นทุกข์ในสิ่งที่เป็นทุกข์เห็นตามความเป็นจริงเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมก็ได้อยู่แต่ว่าเราจะทําได้หรือไม่ได้นั่นก็อีกขั้นหนึ่ง ต่อไปแล้วจะไปเจอคนที่เราเล่าเราชอบขึ้นมาแล้วอยากจะแต่งงานกับเขาขึ้นมาก็ได้นี่แสดงว่ายังเห็นไม่จริงเห็นแล้วลืมได้ยังเป็นสัญญาอยู่ยังไม่เป็นปัญญาถ้าเป็นเห็นแล้วจริงไม่จะไม่ทําอีกต่อไปจะไม่แต่งงานอีกต่อไปเลยขอเรียนถามว่าอานาปานาสติมีผลต่อการนอนหลับไหมครับก็ช่วยให้นอนหลับง่ายถ้านอนไม่หลับแล้ว ก็ดูลงไปก่อนนะช่วงที่เร า, านอนพอดูลงไปเราก็จะไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พอไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะหลับถ้าเราอยากจะมีสติให้มากเราควรไม่ยุ่งกับคนอื่นรือมีเพื่อนน้อยลงหรือเปล่าครับก็ถ้าอยากจะมีสติอยากจะนั่งสมาธิก็ต้องอยู่คนเดียว พะถ้าเราอยู่กับคนนั้นคนนี้ก็ต้องมีการคุยกันมีการติดต่อกันการทำอะไรร่วมกันมันก็จะทำให้การเจริญสติยากการนั่งสมาธิยากเพาอยากจะให้มันง่ายเราก็ต้องอยู่คนเดียวถ้ามีเป้าหมายชีวิตกลัวลงไปข้างล่างนรกอยากจะขึ้นข้างบนถ้าชาตินี้ทำไม่สำเร็จจะสามารถไปทำต่อชาติต่ อ, ต, อต่อไปได้ไหมครับอย่างไรครับ ก็อยู่ที่ความความตั้งใจของเราแน่น่าขนาดไหนถ้าเรามีความตั้งใจแน่น่ามันก็จะติ็ดไปกับใจของเราถ้ามันไม่แน่น่ามันก็จะจางหายไปก็ได้พอไปกับพบหน้าชาหน้าเราก็อาจจะลืเรื่องของการไปไปเกิดในบายก็ได้วิธีที่จะแน่น่าก็ต้องเป็นพระอริยบุคคลนะถ้าเป็นพระอริยบุคคลนี้ท่านแน่น่าต่อการปิดประตัวบาย ท่านจะไม่ทําบาปโดยเด็ดขาดถ้าเป็นคนทําบุญปฏิบัติธรรมมาตลอดแต่เมื่อถึงวารคสุดท้ายของชีวิตถ้าจิตเราไปคิดถึงอกุศลจิตจะตามไปตามอากุศลนั้นบุญที่ทํามาไม่ช่วยเราเลยหรือครับไม่ใช่หรอกบุญกับบุญกุศลที่เราทําเนี่ยมันจะเป็นผู้ที่มาแข่งกับอกุศลที่อาจจะมีอยู่ในใจของเราถ้าบุญกับบุญกุศลที่เราทําไว้มีมากกว่า บาปอากรส่บุญก็จะเป็นผู้พาเราไปสู่สุคติแต่ถ้าบาป ท, ที่เราทําไว้มีมากกว่าบุญบาปก็จะดึงเราไปสู่ทุกคติไม่ได้อยู่ที่จิตสุดท้ายว่าคิดอย่างไรอ่านหนังสือชุดประวัติพระอริยสงฆ์ที่ท่านละสังขารไปแล้วหลายท่านมีเรื่องเหนือธรรมดามาจากการเขียนของผู้เขียนลูกอยากได้ยินได้ฟังเรื่องประมาณนั้นจากพระอาจารย์บ้างครับ เราก็ไม่ค่อยรู้จักใครเท่าไหร่การห น, นังสือประวัติปฏิปทาพระธุดงกรรมาฐานที่หลวงตา ม, มหาบุรุษท่านเขีย น, นเยนี่ยท่านก็ไปพบปะกับครูบาอาจารย์ต่างๆสนทนาธรรมเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติการบรรลุธรรมของท่านก็ค้นหาอยู่ในในเน็ตก็ได้ปฏิปทาพระธุดงกรรมาฐานสายหลวงปู่มัน่นสายพาาาระอาจารย์มั่นเขียนโดยพระอาจารย์หาบุรุษยานสัมปนุ คนนี้จากคนชื่อเฮียอ้วนนะครับที่ที่บอกว่ากินสามกินข้าวสามวันมื้อนะครับพระอาจารย์บอกว่ากับผมได้ฟังธรรมเหมาะของพระอาจารย์แล้วนําไปปฏิบัติรู้สึกจิตใจมันพุ่งเคยนั่งดูใจตัวเองตอนนี้ถ้ามีคนเอาเงินมาให้แสนล้านกับการไม่มาเกิดอีกแล้วก็ผมเลือกอย่างหลังแล้วคะรับอาจารย์ก็ดีแสดงว่าไม่ตกตาเห็นธรรมเห็นทุกข์ก็คือการเกิดแก่เจ็บตายนี่ การนั่งสมาธิโดยกําหนดพุโทโธกับการดูลมหายใจที่ปลายจมูกมีความแตกต่างกันไหมครับวิธีการต่างกันแต่ผลก็จะได้ความสงบเหมือนกันเป็นการเจริญสติในรูปแบบต่างกันถ้ามือนพุโทโธก็เป็นวิธีหนึ่งดูลมหายใจก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเป้าหมายก็คือการทําใจให้นิ่งให้สงบ ขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายวิธีการม้างกายครับนี่ไม่ใช่เพราะเราก็ไม่ได้ใช้ภาษาอีสานเราก็ไม่ท ร, ราบเข้าเขาเขามัาง ก, กายนี่เป็นยังไงเดินจงกรมกับนั่งสมาธิอะไรได้ผลดีกว่ากันครับถ้าความสงบในนั่งมันจะสงบกว่าเดิน แต่บางทีถ้าสติยังมีไม่มากพอนั่งไม่ได้ก็ต้องอาศัการเดินจะมาจะเจริญสติขึ้นมาก่อนคำถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์การที่คนเราเข้าถึงพระธรรมและการปฏิบัติธรรมช้าไปทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกใช่ไหมครับก็แล้วแต่ว่าเราสามารถบรรลุผล เสร็จภารกิจในภพนี้ชาตินี้ได้หรือไม่ถ้ายังทําไม่เสร็จแล้วก็ต้องไปทําต่อในภพต่อไปให้รีบเรื่องเสียตาม น, นี้ถ้าเรายังมีเวลาอยู่ยังมีชีวิตอยู่อย่า เ, อาเวลาไปเสียกับเรื่องอย่างอื่นเพราะสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดก็คือการปฏิบัติธรรมนี่องที่อย่างนเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปในของที่ยังอยู่กับใจเราไปตลอดก็คือผลที่เราได้รับจากการปฏิบัติธรรมนี้ เพื่อนควที่จทุ่มเทเวลาให้กับการปฏิบัติธรรมจะดีกว่าโอากาสครับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนเพื่อนชมอยู่ในเฟซสามรอยสิบในยูสี่ร้อยเจ็ดสิบในคลับห้าในติกตอกสี่ร้อยยี่สิบสามครับรวมหนึ่งพันสองร้อยแปดคนครับอาจารย์ครับวันนี้คงจะเป็นเพราะวันหยุดยาวนะอะไเดินทางไปไปทำภารกิจอะไรต่างๆกันหน้งข่าวมีคนไปต่างประเทศกันเยอะเนี่ยลูกสิษลูกหามา มาลาไปต่างประเทศกันหลายคนช่วงนี้ก็เป็นช่วงหาความสุขจากรูปเสียงกีดรถไปทำทังก่อนธรรมะก็ขอไว้เวลากลับมาแล้วเกิดความเหงาเกิดความเศร้าแล้วค่อยมาติดตามธรรมะต่อไปก็ไม่เป็นไรนะอันนี้นก็แล้วแต่ความพอใจของแต่ละท่านแต่ก็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาสนทนาธรรมหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์และเอาไปใช้ให้เกิดผลเกิดความสุขความเจริญต่อไป การสนทนาธรรมสนับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิเพิจารณาไปปฏิบัติโพือความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอาน้สาธุน่าจะเป็นยังไงนะเรื่องเสียงนี้ถ้าถ้าถ้าใช่อย่างนี้ได้ก็คงยังไม่ต้องไปทำอะไรมันนอกจากมันมันมันไม่เข้ามาในในในในในเครื่องเราท่านครับอาจารย์ครับอาจจะเป็นงานเกมนี้อะ ในป่าก็ไม่่เป็นไเหมือนถ้าลองดูไหม่ครับอาจารย์ครั บ, okay. รบถ้าเรากา น, นี้ก็ต้องข อ, ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพลงเท่านี้ขอขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญไปตลอดครับถ้าไม่มีเหตุสัจข้าาของกันใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าครับขอจเจริญพรกลับขอบพระคุณ อ, อาจารย์ครับ